ทำไมต้องอย่างนี้เพราะเป็นสูตรเขาคือจะต้องไปสูตรนี้เท่านั้นนะถึงจะขี้คายปัญหาได้เป็นสูตรตายตัวว่าจะต้องโน้มไปลักษณะที่กําจัดความยินดีก็คือวิราคะธรรมก็คื อ, เ, อ, อเราจะต้องเบื่อหน่ายตัวเองนั่นเองคือวิราคะก็คือความเบื่อหน่ายถึงได้บอกว่าบัรดาธรรมทั้งหลายวิราคะธรรมเป็นเลิศ เพราะเป็นเลิศในธรรมทั้งปวงจะต้องมีบทบาทตรงนี้เมื่อเป็นดังนั้นแล้วเนี่ย <c oughs> จิจของเราก็อบรมมาก็คือพิจารณาความตายร่วมทุกครั้งเลยและพยายามเห็นตัวเองทีททละน้อยละน้อยตามลำดับลำดับตลอดเวลาจากจุดใดจุดหนึ่งจะลุกลามไปทั่วสารพังร่างกายไหลไปไหลามา แล้วก็รักษาความเห็นไว้หนูเนืองเนืองให้เห็นตัวเองอยู่เสมอเสมอทั้งกลางคืนกลางวันยืนเดินนั่งนอนให้เห็นอยู่อย่างนั้นแหละตลอดเดินก็นั่งให้รักษาเป็นชีวิตประจำวันไปเลยเราจะย้ายบ้านมาอยู่ตรงนี้เลยไม่ให้จิตนี้หนีจากบ้านเราเลยเชื่อไหมว่าจิตเป็นสมาธิแน่นอน ไม่เป็นไม่ได้วิธีนี้วิธีนี้ไม่เป็นไม่ได้ก็คือเราต้องจะให้เลยนะจิตนะเราจะไม่กลับไปสู่สู่การการเป็นอย่างเดิมอีกเราต้องคิดย้ายเลยเพราะอย่างเดิมนั่นเป็นเป็นโลกนี่เราจะพ้นโลกได้ก็คือหนีเลยย้ายระบบจิตออกมาทั้งหมดเลยระบบนั้นจะไม่เอาเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วในการพิจารณากายก็เกิดขึ้นอ่า จากจุดใดจุดหนึ่งจะลุกลามไปทั่วสารพันธร่างกายพิจารณาภายนอกพิจารณาภายในเขาเรียกว่าเห็นกายในกายเห็นกายในกายเห็นกายภายนอกบ้างเห็นกายภายในบ้างภายนอกเราเป็นไรเนื้อหนังของเราก็ดีภายในมีอะไรตับไตไส้นผูกน้ําเลือดน้ําเหลืองเราก็ดีกายภายนอกกายภายใน หรือกายตัวเองบ้างกายผู้อื่นบ้างภายนอกภายในนี่มีสองในยะนะผู้อื่นก็ดีเราก็ดีนั่นก็คือภายนอกภายในแล้วก็เราอย่างเดียวเนี่ยภายนอกก็คือหนังที่หุ้มอยู่ในก็คือเขาเรียกมีภายนอกที่มีหนังหุ้มอยู่พื้นที่สุดรอบที่เราสวดภายในก็คือตับไตเส้นภูิงต่างๆถ้าเราเห็นตัวเราเราก็จะเห็นคนทั้งโลกตามนั้นเขาเรียกว่า เห็นตามจริงเมื่อเราเห็นตัวเอกขึ้นมาทีละนิดละนิดจากจุดใดจุดหนึ่งจะลุกลามทั่วร่างกายเราจากจากจากจุดใดจุดหนึ่งการเห็นอย่างนี้แหละความรู้ความเห็นอันนี้ที่แรกเราไม่เห็นแต่สมมุติความเห็นขึ้นมาก่อนเขาเรียกว่าสัญญาสัญญาแปลว่าสิ่งที่จำมาจำได้หมายรู้จามาทำให้เรารู้เราเห็นตามนั้น เมื่อเรารู้เราเห็นตามนั้นมาเราก็จะเห็นตามจริงของเราว่ า, าตัวเราเนี่ยมีรูปพันธสันญานอย่างไรจากจุดใดจุดหนึ่งจะลุกลามไปทั่วสารพังร่างกายเห็นภายนอกเห็นภายในเห็นตับไตไส้พุงน้ําเลือดน้ําเหลืองเชื่อไหมเราทำไปเนี่ยทำความเพียนไม่รู้จักเบื่อเลยนะ ทำแล้วในน้ำตาจะไหลตลอดแล้วก็มีความสุขมากสลดสังเวชว่าความ <c oughs> ความหาความจรลังยั่งยืนอะไรในชีวิตเราไม่ได้เลยใจของเราจะโน้มเป็นลักษณะเนคขมะออกจากกามเนคขมะไปว่าออกจากกามนะโน้มนลักษณะวิเวกโน้มนลักษณะความสงบตั้งมั่น สมาธิของเราที่ไม่เกิดก็ล่มย่อมเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนจิตของเราเนี่ยที่เรามองเห็นตัวเองเนี่ยไม่ไม่เห็นก็จะเห็นชักขึ้นมาชักขึ้นมาจิตเราก็สว่างขึ้นสว่างขึ้นสว่างขึ้นจากจุดใดจุดหนึ่งจะลุกลามไปทั่วตัวเราจิตเราจะมีความสุขเราเอาจิตเราอยู่ในตัวเราห้าม เขาเรียกว่าห้ามออกจากร่างกายนี้ถือว่านั่นคือที่โคจรของเรานอกเหนือลักร่างกายเหล่านี้นั่นคือที่อาโคจรไม่ควรไปนั่นคือการ ม, มาวจจรท่องเที่ยวไปในกลามนั่นเองเราถึงได้ไปว่าเป็นกาม า, มาวจจรไงทเที่ยวไปทางหูทางตาจมกูกลิ้นกายใจเป็นกาม า, มาวจร ดังนันการที่เราจิตมาอยู่ในตัวเราอยู่เสมอเสมอการพิจารณาตัวอยู่ซ้ำซ้ำซากซากแนวโคจรร่างกายเหล่านี้ทําไมเราต้องโคจรไปเพราะเรายังไม่ทั่วถึงนี่ถ้าเราทั่วถึงเมื่อไหร่เราก็เลิกกันเราเห็นแจ้งหมดแล้วเราก็เลิกไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องท่องเที่ยวบางคนนะมันก็คือข้อเสียอยู่อย่างนึงก็คือเวลาจิตมาดูในตัวเราปุ๊บเนี่ยมันจะนิ่งนันดีเลยนะอยู่ตรงไหนก็นิ่งตรงนั้นเนี่ยเราอย่านิ่งตาม พอร้องอย่านิ่งตามทําไมบอกว่าเอาไว้ตรงไหนก็นิ่งตรงนั้นแล้วทําไมไม่นิ่งต่อล่ะถ้าเรานิ่งเราก็ไม่เห็นทั่วถึงสิเพราะแค่เราเป็นแแมะอยู่ที่ไหนที่หนึ่งเนี่ยมันนิ่งแแมะตรงนั้นแล้วเนี่ยเราต้องเยอะเลยเรายังไม่เห็นทั่วถึงเนี่ยมันก็ชักช้าเพราะภารกิจนี้เราต้องแจ้งทั้งตัวก่อนแล้วเราก็นิ่งยาวเลยทีนี้เราจะ่าไปนิ่งเล็กๆ็กน้อยน้อยนั้นมันไม่พอ ถ, ถึงได้ถึงได้ถึงได้บอกว่าอย่าไปนิ่งนะเพราะว่าเอาไว้ที่ไหนนี่นิ่งหมดเลยตัวเราตัวเราเนี่ยจิตเกาะที่ไหนนิ่งที่นั่นเลยแต่อย่านิ่งตามแต่เมื่อเราทำอยู่อย่างนี้อยู่บ่อยๆเนี่ยพิจารณาอยู่อย่างนี้อยู่บ่อยๆเนี่ยจิตเราเห็นตัวเองมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยสมาธิที่บอกว่าวาชานน่ะ จะเกิดตามมากคนคนที่กําลังจะเริ่มเห็นตัวเองน ะ, ะยังยังจะเห็นแหลไม่เห็นแหลเนี่ยเชื่อไหมสมาธิฌานที่ที่เราบอกว่ า, วานอกไม่ไปในไม่เข้าในไม่เข้านั่นแหละมันจะตามมาเองแล้วก็มากกว่าเดิมหลายเท่าทําให้เป็นอุปสรรคต่อการไปของเราอีกบางคนนี่อยากได้ฌานอย่างเลย ตอนที่ทำนะอยากจะได้ทําแต่ไม่เกิดหรือเกิดก็กระทนกระแท่นแตขน่ขั้นที่เราละมาพิจารณากายเกิดใหญ่เลยโดยที่เราไม่ได้ทํานะแต่เกิดใหญ่แต่เกิดคราวนี้เราจะไม่เอานะทําไมไม่เอาเพราะว่าถ้าเรามัวเอาแล้วก็พิจารณากายเราจะใครจะพิจารณาให้เราละ่ะพอเราต้องการพิจารณากายให้แจ้งก่อนมัวแต่เข้าฌานเข้าสมาธิแล้วใครจะทำให้เราแจ้งก็กลายเป็นว่า สมาธิที่มาเนี่ยมาดักเราไม่ให้ไปไม่ให้เราเดินหน้าต่อกลายเป็นว่านั่นคื อ, อกลวงของเขาเองแล้วเราเองเนี่ยอย่าให้เข้าไปตรงนั้นเพราะเราเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็นิ่งอยู่เฉยๆอย่างที่เมื่อก่อนเราเข้าไปก็นิ่งอยู่เฉยแล้วก็เสียเวลาการรู้เห็นร่างกายนี้ก็กลายเป็นว่าชักช้าเข้าไปอีกเรากะว่า สมาธิที่ตามมาที่เกิดขึ้นมานี้เราก็จะเข้าเหมือนกันถ้าเราเห็นร่างกายเราแจ้งก่อนเราต้องบอกอย่างนั้นบอกตัวเองว่าเออตอนนี้ยังไม่เข้าน้าถึงมาอย่างไรก็ไม่เข้าเราขอพิจนากายให้จบก่อนให้ทำไปอย่างอย่าดถ้าเราพิจนาตัวเองเห็นแจ้งหมดแล้วค่อยเข้าสมาธินี้จะเข้าเมื่อไหร่ก็ได้ แต่ตอนนี้ไม่เข้าถึงมากขึ้นก็ไม่เข้าเพราะอะไรเพราะคนที่มีปัญญาเขาจะมองว่าที่ไม่เข้าเพราะเสียเวลาที่ภารกิจที่เราจะต้องทำนี้มีอยู่แล้วไม่เข้าไปเขามีปัญญามองว่างานนี้ต้องทำนี้ก่อนตรงนี้ตีหลังเขามีปัญญาและคนที่มีปัญญาเท่านั้นเนี่ ที่ทาแล้วอบรมแล้วจะไปทางที่ถูกต้องฉะนั้นปัญญานี่จึงเป็นทรัพย์อันหนึ่งที่ยิ่งใหญ่มากที่ทุกคนจะต้องทําให้เกิดให้มีไม่งั้นแล้วเนี่ยหล่อสมาธิไม่ได้เพราะสมาธิที่จะได้ทั้งหมดได้เพราะปัญญานะปัญญาเป็นตัวเข้าใจที่ควรอย่งนี้ต้องควรอย่างนี้ไม่ควรอย่างนี้ควรอย่างนี้ปัญญาเป็นพุ่งเป็นเป็นตัวตรวจสอบ จานั้นมักเนี่ยถึงได้จัดเป็นปัญญาไว้ดำหน้าก็คือข้อที่หนึ่งก็คือซัมหมาทิฏฐิความเห็นชอบเห็นอะไรเห็นทุกเหตุ ข, ของทุกการดับทุกข้อปฏิบัติในการดับทุกข์ก็คือญาตสี่นั่นเองก็คือญาสีนี่ก็คือปัญญา น, นั่นเองปัญญานเนเป็นตัวปัญญา น, นั่นเองถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยคนที่ ท, ที่ที่มีปัญญาเขาจะไม่ แ, แวะข้างทางให้เสียเวลา เพราะว่ามวแต่แวะเนี่ยก็ทําให้เราไม่สามารถที่จะบรรลุผลและเป้าหมายตามนั้นได้เขาจึงจะไม่แวะอะไรมากกว่านั้นการที่เราจะแวะเข้าไปในสมาธิก็แวะได้นะแต่เราต้องจบการพิจารณาตัวก่อนฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราจบพิจารณาตัวแล้วเนี่ยแวะได้เลยไม่แวะอยากให้แวะเลยควรจะแวะด้วยเพราะตอนนี้ไม่มีอะไรทําแล้วก็แวะเข้าไปสิ เขาเรียกว่าเป็นสมาธิชอบด้วยก็คือสัมมาสมาธิด้วยก็คือสังขจา ก, กรามสังขาจาราจากอกุสนฉะนั้นลานการที่เราไปพิจารณาร่างกายเนี่ยเพื่อจะเอาอาุศลออกเอากามออกอากามและอกุศลนี่เองทําให้เรามีความยินดียินรไล่ตามมาความยินดียินไล่นี่มีอยู่ก็เพราะว่าจิตเรานี่มีเขาเรียกว่า มีกิเลสอยู่นั่นเอง <c oughs> ทีนี้ว่าเมื่อเราเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยการพิจารณาร่างกายก็คือเราจะต้องดำเนินการต่อไปอแรกๆเนี่ยเขาเรียกว่าเรามองไม่เห็นก็ต้องหาตัวอย่างมาก่อนตัวอย่างนั้นก็แล้วแต่ใครจะไปหามาว่าเราหาได้มาตรงไหน อย่างไรหามาเวลาจิตเราอยู่ในตัวเราเนี่ยพิจารณาตัวไปเนี่ยด้วยอ า, อาศัยตัวอย่างเหล่านั้นเมื่อเราอาศัยตัวอย่างเหล่านั้นจิตเราเนี่ก็เอาอาศัยอุบายเหล่านั้นอุบายเหล่านั้นเนี่ยที่เรามาพิจารณาด้วยอุบายสารพัดที่เรามามาข่มเก่าเขาเรียกว่าโยนิโสมนสิการโยนิโสมแปลว่าใส ah ่ใจมณสิการแปลว่า โอโยนิสโสแปลว่าอุบายมณสิการมณะแปลว่ามานามานโนนั่นเองก็ว่าใจเราน่ใส่ใจใส่ใจในอุบายที่แยบขายใส่ใจในอุบายที่แยบขายฉะนั้นการที่เราพิจารณาตัวเนี่ยโดยการอุบายแลไวก็แล้วแต่ เ, เขาเรียกว่าโยนิสโสมณสิการอันนี้มีบทบาทมากนะโยนิสโสมณสิการเพราะไม่มีแล้วไปไม่ได้ก็เลยว่าต้องใช้ ใช้อุโยนิโสโอมานัิการคือน้อมจิตของเราเนี่ยด้วยอุบายที่แยบขายขณะเดียวกันที่จิตเราอยู่ในตัวเราปุ๊บเนี่ยตั้งอยู่ในตัวเราเมื่อไหร่เมื่อจิตเราตั้งขึ้นมาปิติย่อมเกิดเมื่อจิตขึ้นมาเอ่อเกิดตั้งมาขึ้นมาในปิติเราย่อมเกิดความปิติเขาเรียกว่าปิติสังเวช ความสลดสังเวชเกิดปิติเราย่อมเกิดเมื่อปิติเกิดความปลามโมดก็เกิดความปลามโมดความบันเทิงใจปิติเกิดความปลามโมดก็เกิดเมื่อความปลาโมดเกิดจิตก็ตั้งมั่นเมื่อจิตตั้งความสงบกายสงบใจปัสสถิก็เกิดก็เรียกว่า ไิตีเกิดปัจสวามสงบกายสงบใจก็เกิดเมื่อปัสสธิความสงบกายสงบใจเกิดจิตก็ตั้งมั่นเมื่อจิตตั้งมั่นก็ความสุขก็มาเป็นผลฉะนั้นเวลาความสุขเกิดขึ้นมาเนี่ยก็คือจิตมันตั้งมั่นสุขมากเลยนะไม่น่าเชื่อว่าตัวเราเนี่ยเอาจิตมาไว้ตัวเราเนี่ยตั้งแต่หัวถึงเท้าเนี่ยสุขมากๆเลย ซึ่งความสุขเหล่านี้เนี่ยเราไม่เคยพบเคยเจอในในที่ไหนมาก่อนจิตอยู่ในตัวเราเนี่เป็นความสุขอย่างมหาศาลที่เราหาได้ตรงนี้และความสุขนี้เองเป็นความสุขที่ไม่อิงอาศัยอะไรอันนี้ก็กลายเป็นว่าความสุขที่เล่นลับอยู่ในตัวเราเนี่เองเราปล่อยเรามม่แต่ปล่อยจิตของเราไปหาความสุขนอกตัวแท้จริงความสุขในตัวเราเนี้เป็นความสุขที่ล้าลึก อันนี้ก็คือว่าความสุขเหล่านั้นก็คือความสุขที่เห็นตัวเองแจ้งอยู่เสมอนั่นเองเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเมื่อจิตตั้งมั่นความสุขก็ตามมาเมื่อความสุขตามมาความรู้เห็นก็ตามมารู้เห็นเ็าเรียกว่ายะถาภูตญาณญาทัศนาก็เกิดขึ้นในที่นั้น ญาณทัศน์ก็คือความรู้ความเห็นตามจริงก็คือญาณทัศน์ยะถาพุทธญาณทัศนะเขาเรียกว่าความรู้เห็นก็ตามมาทําให้เราเห็นตามจริงว่าเนื้อหนังของเราเนี่ยมีรูปพันธสันญานอย่างไรญาณทัศน์ก็คือการเห็นตัวเองแจ้งขึ้นแ จ, แ, จแจ้งขึ้นแจ้งขึ้นฉะนั้นญาณทัศน์ตัวนี้เนี่ยก็คือจิตที่เราคิดถึงคนอื่นเนี่ย เราเห็นหน้าเขาอันนั้นเขาเรียกว่าวิญญาณแล้วก็เอาจิตมาพิจารณาให้ตัวให้เห็นตัวเองให้เหมือนเห็นคนอื่นธรรมชาติเดียวกันที่เราเห็นคนอื่นได้อย่างไรเราก็เอาธรรมชาตินั้นมาเห็นตัวเองได้อย่างนั้นอันนั้นเขาเรียกว่าเห็นคนอื่นเขาเรียกว่าวิญญาณเห็นตัวเองเขาเรียกว่าญาณทัศน์ญาณทัศน์ญาณทะญาณแปลว่ารู้ทัศน์แปลว่าเห็น รู้เห็นรู้เห็นตามเป็นจริงอันนี้อันนี้าตทัศนะตัวนี้เนี่ยจะไม่เคยมีมาก่อนนะเราจะไม่มีมาก่อนเราจะไม่มีมาก่อนไม่เคยมีมาก่อนแล้วจะมีขึ้นได้ตอนที่เรามาอบรมนี่เองงั้นเวลาเราอบรมขึ้นมาอบรมขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นตัวเองขึ้นมาเนี่ยเราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นก็จะเห็นขึ้นมา ชัดทีละน้อยละน้อยในที่สุดเนี่ยเราจะชัดมากชัดมากเลยนะตัวเราเนี่ยอันนั้นในความเห็นตรงนี้นะเขาเรียกว่าสัมมาญาณน ะ, ะสัมมาญาณนะเขาเรียกว่าญาณชอบญาณะแปลว่าญาณญาณะสัมมาแปลว่าถูกต้องญาณถูกต้องญาณชอบนั่นเอง เมื่อเป็นดังนั้นแล้วเนี่ยความเห็นความรู้ความเห็นเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นตามขึ้นมาเป็นจริงว่าทุกขอย่างนี้เหตุของทุกอย่างนี้การดับทุกอย่างนี้ข้อปฏิบัติการของการดับทุกอย่างนี้เนี่ยก็จะชัดเจนขึ้นมาในใจของคนนั้นเมื่อเราเห็นตัวเองแจ้งขึ้นมาแจ้งขึ้นมาแจ้งขึ้นมาแจ้งขึ้นมาจากจุดใดจุดหนึ่งจะลุกลามไปทั่วร่างกายจนเราเห็นตัวเองในทั่วร่างกายของเรา ความเห็นตรงนี้เนี่ยไม่เต็มร้อยเพียงแต่ว่าความเห็นได้ทั่วถึงทั่วถึงตั้งแต่หัวถึงเท้าเลยเห็นแล้วไม่ดับไม่หายแต่ว่ายังไม่ชัดเต็มร้อยอ ย, ยังยังไม่ชัดยังยังยั ง, ยงไม่เต็มร้อยประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต การเห็นตรงนั้นจึงเป็นสักขีพยานมากพอที่เราจะเข้าใจว่าร่างกายของเราไม่เที่ยงจึงเกิดการละสังโยชน์ขึ้นได้เขาเรียกว่าละสักกายทิฐิเขาเรียกว่าละสักกายะทิฏฐิสักกายะแปลว่าการเห็นการเข้าใจว่ากายนี้ไม่ใช่ของเรา วิธิแปลว่าความเห็นเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราเป็นของหยิบยืมมาเป็นของที่น่าเบื่อหน่ายน่าเบื่อหน่ายเป็นของที่มีแต่ของปฏิกูลของของความของเน่าเหม็นเป็นของที่น่าเบื่อหน่ายที่ที่คนเขานี้หมกอยู่ในตัวเราตัวตัวของตัวละละบุคคลแต่ละบุคคลเมื่อเห็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยญาทัศน์ตัวนั้น เป็นของที่มีอยู่ประจำทำก่อให้เกิดการละสักกายทิฏฐิขึ้นมาละสักกายทิฏฐิละความเห็นว่าเราไม่ใช่ขันห้าขันห้าไม่ใช่เราเพราะว่าร่างกายนี้เนี่ยตัวเราทุกคนประกอบด้วยขันห้าร่างกายนี้เขาเรียกว่ารูปประคัน เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้เขาเรียกว่านามขันเมื่อรูปนี้ไม่เที่ยงนามนี้จะเที่ยงได้อย่างไรนามนี้ไม่เที่ยงก็คือเวทนานี้ก็ไม่เที่ยงสัญญานี้ก็ไม่เที่ยงสังขารก็ไม่เที่ยงวิญญาณก็ไม่เที่ยงซึ่งเป็นนามขันว่าเมื่อร่างกายนี้ไม่เที่ยมตาหูก็ไม่เที่ยง จมูกลิ้นกายใจก็ไม่เที่ยงจิตก็ถามตัวเองว่าถ้าเกิดว่าร่างกายเราไม่เที่ยงแล้วเราควรหรือไม่ว่าเราจะเอาจิตไปผูกพันว่านั่นอย่างนั้นนั่นอย่างนี้จิตไปผูกพันอะไรกับโลกเร า, เาจิตนั้นก็บอกว่าไม่ควรเมื่อจิตนั้นบอกว่าไม่ควรดังนั้นแล้วเนี่ย ทางออกของปัญหาเรื่องนี้ก็คือว่าการที่เราปล่อยจิตไปทั้งหมดนี้เป็นความผิดทั้งหมดความผิดเหล่านั้นเองจึงเป็นที่เหตุเป็นที่มาของตัณหาทั้งสามนั้นเมื่อเมื่อบุคคลที่ละสกาญทติทีได้เนี่ยเขาเรียกว่าความเห็นในตัวเราไม่ ตัวเราไม่ใช่เขาเรียกว่าขันห้าไม่ใช่เราเราไม่ใช่ขันห้าได้ก็จะเห็นความเป็นไปของจิตว่าถ้าเราไม่เที่ยงหูตาก็ไม่เที่ยงเมื่อหูตาไม่เที่ยงอารมณ์ทั้งหมดของโลกนี้ก็ไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงก็ไม่ควรที่จะเอาจิตไปผูกพันด้วยอารมณ์ใดทั้งสิ้น เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยเข้าใจว่าจิตที่คิดไปข้างนอกทั้งหมดเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหตุของทุกข์ทั้งหมดเป็นของที่ผิดพลาดมากเขาเรียกว่าเป็นของที่ผิดพลาด ความจริงแล้วเมื่อโลกนี้ไม่เที่ยงตาหูไม่เที่ยงทางที่ถูกก็คือเลิกกันเลยไม่ควรที่เราจะเอาจิตไปไว้อะไรหอะไรในโลกนี้คนที่เห็นอย่างนี้ได้ชื่อว่าแทงอริยสัจสี่ได้ฉะนั้นอริยสัจสี่ที่รู้ทีแรกเนี่ยรู้คร่าวๆจะไม่รู้อย่างเต็มร้อยเนี่ยเขาเรียกว่าร้อยก็ไม่เต็มน่ะหมายถึงว่ารู้ระดับหนึ่งขึ้นไปเนี่ย ประมาณหก์็ก็คือพระโสดาบันเท่านั้นพระโสดาบันนี่รู้ยศสินแน่นอนมากแต่ถ้ารู้บริบูรณ์จริงๆก็คือพระลหันฉะนั้นคนที่จะเป็นผู้เข้าถึงยศศีิอย่างถูกต้องก็คือพระโสดาบัน ถ้าโสดาบันเท่านั้นนี่ที่จะเข้าไปสู่การพ้นทุก์ในอนาคตได้แน่นอนก็คือต้องรู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้ถึงจะเป็นผู้สามารถที่จะเข้าสู่การพ้นทุก์ได้จริง อ, นน อ, อันนี้แหละว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมของเรานี่ก็คือว่าเราจะก้าวไปสู่พระเดียเจ้านั้นต้องไปลักษณะนนี้ะนะถ้าเกิดการราศากายทัติทได้ก็คือการเห็นตัวเองเพราะยานทัศนะตนนั้นไม่หายไม่ดับไม่เสื่อมเป็นภาวะที่มีอยู่ตลอดเวลาเพราะอบรมมาแก่กล้าพอเราถึงจะละสงังโยชน์ไปตามลาดับลาดับเมื่อเห็นอย่า ง, งนั้นแล้วจิตเขาจะมั่นคงมากสว่างสวัย เมื่อลาสกายติทิตฐิอย่างนั้นได้ว่าตัวเราไม่เป็นของที่น่าเบื่อไหนเป็นของหยิบยืมมาแล้วก็ตัวเราก็ไม่เที่ยงเมื่อตัวเราไม่เที่ยงหูตาก็ไม่เที่ยงเมื่อหูตาไม่เที่ยงเขาเรียกว่าจิตก็เห็นความจริงขึ้นมาว่าทุกทั้งหมดเนี่ยเพราะความยึดมัน่นตัวเหล่านี้เป็นเหตุ และการยึดมั่นตัวเราเองทำให้เรายึดมั่นหูตานั้นการยึดมั่นหูตานั้นเองเป็นเหตุของการไหลไปในเวทนาบ้างในสัญญาบ้างในสังขารบ้างในวิญญาณบ้างรู้แล้วไปจิตรู้แล้ววิ่งไปสู่อารมณ์วิ่งไปแล้วเสวยเป็นเวทนา รู้แล้ววิ่งไปจดจําไว้เป็นสัญญารู้แล้ววิ่งไปปรุงแต่งไปกลายเป็นสังขารรู้แลว้ววิ่งไปผ่านประตูทั้งหกเป็นวิญญาณรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจึงเดินเครื่องทํางานอย่างไม่หยุดหยังการรู้เห็นอย่างนั้นแหละ ขันห้าจึงเป็นของที่เปิดเผยให้เห็นตามเป็นจริงว่านั่นไม่ใช่เราเมื่อรู้คุณรู้ความเกิดรู้ความดับของขันห้าว่าอย่างนี้อย่างนี้รู้ความเกิดของขันห้าแต่และอย่างรู้ความดับของขันห้ารู้คุณรู้โทษรู้อุบายออกรู้หนทางออก ชื่อว่าละสกายติธิได้เพราะยานทัศน์ตัวนั้นทําให้เราได้รู้เห็นตามเป็นจริงขึ้นมาว่ารูปอย่างนี้เวทนาอย่างนี้สัญญาอย่างนี้สังขารวิญญาณอย่างนี้ทําให้เราเข้าใจเข้าถึงของคำประทานคำสอนพระเจ้าได้ทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะมองถึงอนาคตของการที่จะเข้าถึง ที่สุดของทุกได้ในที่สุดอันนี้ก็คือว่าการที่เราเข้าถึงเข้าถึงพระธรรมคำสอนพูดเจ้าเนี่ยจะต้องเข้าถึงลักษณะที่ไปลักษณะนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยเขาก็จะเข้าใจว่าเมื่อตัวเราไม่เที่ยง หูตาก็ไม่เที่ยงเมื่อหูตาไม่เที่ยงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาที่อาศัยหูตานั้นก็ไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงแล้วเนี่ยควรหรือนั่นเป็นเราก็ไม่ควรถ้าไม่ควรแล้วการดับของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาเรานั้นดับที่ไหนดับที่การที่ต่อไปนี้จิตเราอย่าเข้าไปสู่การไปกระทบสัมผัสสิ่งเหล่านั้นเลยเมื่อเป็นอย่างนั้นจิตก็เลยดึงตัวเองกลับ ไม่ให้ไปสู่อายตนะเหล่านั้นเมื่อจิตไม่ไปในอายตนะ อ, ย, อยตนะเหล่านั้นได้ผัสสะก็ขาดผัสสะขาดเวทนาย่อมขาดเวทนาขาดสัญญาสังขารวิญญาณขาดทําให้จิตของคนนั้นกลายเป็นจิตที่อยู่ภายในอย่างเดียว เขาเรียกว่ารู้แจ้งในเบญจขันธ์ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวทนาในที่นี้ก็คือว่าจิตที่คิดไปย่อมมีความสุขเขาเรียกว่าสุข เ, ขเวทนาจิตไปคิดไปมีความทุกข์เขาเรียกว่าทุก ข, เ, ขเวทนาจิตไปคิดไปกลางกลางเขาเรียกว่าอาทุก ข, ขามาสุข เ, ขเวทนาทั้งสามอย่างนี้เป็นเวทนาจะเห็นกายในกายนี้ แล้วก็จะเห็นเวทนาในเวทนาเหล่านี้ว่านั่นไม่ใช่เราก็กลายเป็นสติปัฏฐานสี่ด้วยหรือกลายป็การรู้แจ้งขันห้าได้ด้วยเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยรู้ความเกิดความดับว่าเวทนาเหล่านี้เกิดจากผัสสะการกระทบของจิตที่กับอารมณ์เหล่านั้นเองเมื่อตัวไม่เที่ยง สิ่งเหล่านั้นก็ไม่เที่ยงก็ไม่ควรที่จะให้จิตเรานี่ไปสู่ทางเส้นนั้นอีกจิตก็เลยรู้ความดับว่าถ้าอย่างนั้นอย่าปล่อยจิตออกไปเลยจิตเองก็ยอมรับในเหตุผลอันนั้นว่าเออจริงแล้วเราก็ไม่ควรจะปล่อยไปความจริงแล้วก็คงจะดับเย็นในที่นั้นว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ควรที่เราจะหมายมั่นอะไรเป็นอะไรคนนั้นรู้แจ้งอย่างนี้ได้เนี่ยชื่อว่าเป็นผู้ เข้าสู่กระแสของพระยาจ้าได้และมองวิแววว่าต่อไปอาตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรานี้ปิดแน่เพราะจิตดวงนั้นเนี่ยถูกอบรมแล้วก็รู้ว่าตัวไม่เที่ยงตาไม่เที่ยงจมูกลิ้นกายใจไม่เที่ยงเมื่อเที่ยงก็เห็นทางออกก็คืองดการไปของจิตซะเห็นว่าการไปของจิตนั้นผิดหมด อันนี้ที่เราเคยตั้งเป้าหมายไว้ว่าการไปของจิตทั้งหมดเนี่ยเป็นทุกข์ของคนเราเป็นอารมณ์ของคนเราเป็นกิเลสของคนเราแล้วก็เห็นทางว่ากิเลสทั้งหมดจะดับด้วยวิธีนี้เท่านั้นนี่คือการเจริญสติปัฏฐานสี่หรือกายคตาสติเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราก็เห็นตัวเองไปเรื่อยๆจนว่าความเห็นดูนั้นเนี่ยเป็นสิ่งเดียวกันกันกับจิต ตัวเรากับจิตเราเนี่ยเห็นกันกลายเป็นสิ่งเดียวกันเป็นของที่อยู่ด้วยกันเขาเรียกว่าเป็นของที่เหมือนกับพลไม้แช่อิ่มเนี่ยเหมือนผ้าที่ซับน้ำเนี่ยตัวเรากับจิตเหล่านี้ชุ่มฉ่ำไปด้วยกันทำให้จิตเรากับตัวเรานี่เป็นเนื้อเดียวกันทำอย่างนั้นทำให้ได้ บางคนพิจวัติบอกว่าพิจารณาตัวเราเนี่ยพิจารณาถึงขนาดไหนขนาดที่จิตเราไม่หลุดนะ่จิตเรายังหลุดแอบไปโน่นไปนี่ยังไม่ใช่ไม่ได้นะความเห็นเราไม่พอนะเบื่อไม่พอฉะนั้นเราจะสังเกตว่ า, เ, าเมื่อใดที่เราพิจารณาตัวว่าจบหรื อ, อยังพอหรื อ, อยังเนี่ยอาศัยที่มองที่จิตถ้าจิตเราเนี่ยยังมีการเคลื่อนตัวไปยินดีจิตลาอยู่แสดงว่า การเห็นตัวเองไม่พอเราจะต้องให้เห็นมากกว่านั้นอีกแจ้งชัดกว่านั้นอีกตาบใดจิตของเราในเลิกลากัรโลกแล้วไม่ปีไปเขาเรียกว่าทําลายอภิชาและโทมมานัตในโลกเสียได้อภิชาความยินดีอโทมมานัตความยินลายในโลกเสียได้ตาบนั้นเราถึงจะพอถือว่าการพิจารณาการนี้เบื่อหน่ายพอแล้วทําให้จิตนี้เลิกแล้ว เมื่อจิตเลยเลิกกับโลกนี้แล้วเนี่ยทําให้จิตนั้นไม่เป็นอย่างอื่นแล้วเราถึงจะพอในการพิจารณาอันนี้จําไว้เลยนะว่านักปฏิบัติบอกว่าพิจารณามาหลายวันแล้วหลายนานแล้วเนี่ยพอหรื อ, อยังพอไม่พอดูที่จิตการไปของจิตนั่นแหละการไปของจิตมีอยู่แสดงว่าไม่พอหรอกมันเบื่อไม่จริงเบื่อไม่มากพอแล้วนั่งการเห็นด้วยเองเนี่ยจะแจ้งมาก มากขนาดที่ต้องจิตต้องหยุดเราจะให้จิตเราหยุดกับโลกนี้เนี่ยต้องหยุดแบบต้องให้หยุดขาดไม่ใช่หยุดแบบไม่ขาดเราจะต้องหยุดให้ได้ฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยอาจิตของเรานี้ก็เขาเรียกว่าเห็นตามจริง เมื่อเห็นตามจริงว่าตามจริงคืออะไรตามจริงก็คือร่างกายของเราเนี่ยมีอะไรให้เห็นตามนั้นความจริงมันมีเช่นไรให้เห็นตามจริงนั้นๆ้เขาเรียกว่าเห็นตามจริงบางคนเห็นแบบใ น, นเห็นว่ามันมีอะไรก็ให้มันมีอะไรก็ให้เห็นตามนั้นแหละไม่มี ต, บตาบไต้ใช่ปุง่งมันมีอะไรครบอาการสามสิบสองก็ให้เห็นตามนั้น เห็นตามจริงนะว่ามีจริงอะไรก็ให้เห็นตามนั้นแล้วอย่าให้หายอันนี้หลายคนบอกว่า <c oughs> การเห็นตัวเองเนี่ย เ, เห็นแบบไหนเห็นแบบตามจริงเอาตาในเห็น ไม่ใช่ตานอกตานอกเนี่ยจะหลับจะลืมไม่เกี่ยวเอาตาไหนาเท่านั้นอตานอกนี่จะหลับจะลืมไม่ไม่เป็นไม่เป็นประมาณให้เห็นเห็นแเราจะไม่พอให้เบื่อคนที่เข้าใจจริงๆแล้วนี่จะไม่มีคําถามว่าเห็นขนาดไหนถึงจะพอถ้าคนไหนรู้ยัตสี่จริงนะจะไม่มีคําถามนี้เลยนะว่าเห็นขนาดไหนถึงจะพอล่ะพอได้หรือยังเห็นยังไงนะ หรือเห็นแล้วเนี่ยมันจบแค่นี้หรือหรือเห็นแล้วเนี่ยแล้วจะทําไงต่อจะไม่มีคําถามนี้คนรู้ยัสนะีจะไม่มีคําถามนี้เพราะเขารู้จักว่าควรพอก็รู้ไม่ควรพอก็รู้ยัสีแทงยากมากเพราะจะต้องเกี่ยวกับปัญญาอย่างที่บอกว่าที่ว่ามีปฏิวัติสามมีอาการสิบสอง ฉะนั้นการทบทวนเรื่องอเยสัตต์เนี่ยจะจะเรื่องปัญญาทางนั้นเนยปัญญาจะมากคนที่จเจริญอย่างนี้เนี่ยจะเป็นผู้มีปัญญาแตกฉานยิ่งพิจารณาเท่าไหร่ปัญญาจะแตกฉานมากเท่านั้นและปัญญานี่เองที่แตกฉานเองจะทำให้จิตเราอยู่ในอำนาจได้จิตของเหล่านี้สามารถที่จะชนะโลกได้ อย่างน่าอัศจรรย์ก็คือว่าตัวเรานี้เนี่ยเป็นทมเล ข, ของการประพฤติปฏิบัติที่จะนำไปสู่การดับทุกข์ดับโศกดับความปรุงแต่งความปรุงแต่งทั้งหมดที่มีอยู่จะต้องถูกทำลายให้หมดเรากะว่าเราทำครั้งเดียวจบเลย แล้วความปรุงแต่งเนี่ยจะต้องไม่มีกลับมาอีกแล้วผลสุดท้ายก็ได้จริงๆนะแล้วธรรมชาตินั้นก็มีจริงๆบางคนบอกว่าเป็นไปนไม่ได้หรอกจิตเราก็อารมณ์นี่มันต้องไปด้วยกันมงั้นเราจะทําอะไรถูกคนที่เข้าใจอย่างนั้นพูดอย่างนั้นคนไม่ถึงคนไม่รู้ถึงลึกซึ้งอะไรเขาก็พูดไปตามความรู้สึกของเขาแล้วมันอย่างนั้นมันก็จมอยู่ในทุกข์ไปสิล้วพาาาระอะหันทั้งหลายจิตที่มั่นคงจะมั่นคงได้ตรงไหนล่ะ ก็ต้องมั่นคงด้วยการที่ว่าทำลายความเป็นอารมณ์ทั้งหมดจิตกับอารมณ์ไม่ใช่สิ่งเดียวกันนี่เมื่อเราทำลายอารมณ์จิตก็หนึ่งเดียวอยู่ตั้งตั้งอยู่อย่างนั้นแหละไม่มีอะไรเป็นอื่นแต่มันมีอารมณ์อยู่นั่นเองมันเป็ น, เ ป, นเป็นอาวิชาอยู่มันเป็นความหลงอย่ถึงได้มีอารมณ์ขึ้นมามากมายเน่องการประพฤติปฏิบัติเนี่ยเราจะต้องประพฤติปฏิบัติให้เห็นให้จริงให้รู้ให้แจ้ง ตามนั้นว่ า, าเราจะต้องกำจัดทุกโศกของเราให้ได้ไม่ใช่ว่ า, าการกระทานี้เนี่ยทำเพื่อให้พ้นทุกพ้นทุกแต่ตัวเองก็ไม่รู้ว่าพ้นทุกแล้วก็ไม่รู้ว่าพ้นทุกได้อย่างไรหรือตัวเองเนี่ยไปถึงไหนแล้วไม่รู้จักไม่ใช่นะ่ะบางคนวันเนี่ยทามาถึงนู่นเนี่ยมาถึงไปถึงไหนแล้วเนี่ยเขาจะไม่มีคำถามนี้เขาจะรู้จัก ตัวเขาเราเองว่าคืออะไรคือคนถามคือคนไม่รู้นะ คือเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยปัญญาต้องสอดส่องดูแลการกระทําของตัวเองอยู่ตลอดเมื่อเราเบื่อตัวนายตัวเองได้เท่าไหร่การเห็นตัวเองแจ้งขึ้นแจ้งขึ้นตัวเราเนี่ยแสงสว่างออกทั้งตัวนะสว่างขึ้นสว่างขึ้นจิตมันตั้งมั่นมากนะเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็รู้เลยว่าการละสกายาธิฐีของเราว่าตัวเราไม่ใช่ของเรา ความเห็นอันนั้นไม่เลอะเลือนแต่ก็ไม่ชัดถึงร้อซก็จริงไม่เป็นไรนะเราถือว่าเรายังเดินทางอีกไกลเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วไม่สงสัยว่าการปฏิบัติของเราเนี่ยถูกผิดหรือไม่รับมั่นใจว่าเป็นทางถูกแน่นอนเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วไม่สงสัยในปฏิปทาของตัวเองว่าที่ทํามาเนี่ยถูกผิดหรือไม่ แล้วก็เมื่อก่อนทําผิดทําถูกเขาเรียกว่าทําไม่แน่นอนลองผิดลองถูกสํานักโน้นสอนก็เอาสํานักนี้สอนก็เอาเดี๋ยวไปไปทางโน้นเดี๋ยวไปไปทางนี้เดี๋ยวทําอย่างนั้นเดี๋ยวเปลี่ยนมาทางนี้เมื่อก่อนเป็นอย่างนั้นตอนนี้ไม่เปลี่ยนแล้วมั่นใจว่าที่ตัวเองทํานี้เป็นของที่แน่นอนว่าจะต้องรู้ทําแน่นอนเขาเรียกว่าละศินปลปะปรามาตรศิลป์ ศิลลพัตต์ศีละแปลว่าศีลพัตต์แปลว่าพศพศหรือตบะปลามาศแปลว่าผิดศีลลพัตต์ปลามาศคือว่าละศีลหรือตบะที่ทำนั้นศีลพศนั้นที่ผิดผิดถูกถูกนั้นเสียได้มั่นใจในศีลเไม่แม่นใจในศีลพจศของตัวเองว่าทําถูกศีลพจศในที่นี้หมายถึงว่าตบะธรรมนะหมายถึงวิธีปฏิบัติหรือว่า าการกระทําของตัวเองนั่นเองการปฏิบัตินั่นเองอแล้วก็ไม่สงสัยก็เลยละวิจิกริษาได้ <c oughs> <c oughs> เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยตัวเองก็จะเห็นตัวเองขึ้นมาว่าชัดขึ้นมาชัดขึ้นมาว่าร่างกายของเราเนี่ยรูปอันนี้คือร่างกายนี้เป็นของที่น่ากลัวเป็นของที่น่าเบื่อหน่าย เป็นของที่น่ามีภัยเป็นของที่ไม่น่ารักษยินดีอะไรไว้เป็นหน้าเป็นของที่น่าเบื่อหน่ายมากกว่าเป็นของที่นำมาซึ่งภัยเขาเรียกว่าเห็นโทษเห็ <c oughs> <c oughs> นภัยในการยึดมั่นว่าเป็นตัวเรา <c oughs> ของเราแท้จริงเขาไม่ได้มีอะไรเลยเราได้มาโดยบิดามารดาเป็นผู้ให้กาเนิดนะตั้งอยู่ได้ด้วยข้าวสุก ข, ขนมสด มีการนวดเฟ้นมีการป่วยไข้ยอยู่ตลอดอเป็นระยะระยะนั่นถึงความมีแต่สิ่งที่เปตะกูลอยู่เนืองนิดคนเขามามาหลงร่างกายของตนของตนอยู่เท่ากับยังวัฏตะกรสงสารให้ยาวไกลให้เกิดขึ้นวัฏจักรสงสารที่น่ากลัวก็เกิดขึ้นเห็นโทษเห็นภัยเขาเรียกว่าเห็นตามจริงขึ้นมา เกิดการเบื่อหน่ายความเห็นมากขึ้นมากขึ้นก็เกิดการเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายตัวเองได้ก็เบื่อหน่ายโลกได้อย่างที่เรามองนั้นว่าถ้าเบื่อตัวเองได้ก็จะเบื่อโลกเมื่อเบื่อโลกได้ก็จะคลายโลกเมื่อคลายโลกได้ก็โอกาสที่เราจะคลายอารมณ์ก็เกิดขึ้นเมื่อคลายอารมณ์เกิดขึ้นได้เราก็จะพ้นทุกข์ได้ในที่สุด อันนี้ก็คือว่าเราเดินมาถูกทางแล้วมั่นใจว่าในอนาคตข้างหน้านั้นเราคงจะยุติในการจบสิ้นการกระทำนี้แน่นอนเขาเรียกว่ามั่นใจในปฏิปทาฉะนั้นพระลาหันเนี่ยกับพระโสดาบันเนี่ยจะไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่สงสัยในพระลาหันเลยเข้าใจแน่นอนว่าเป็นได้แน่นอนเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ย <c oughs> ย่อมรู้ขันห้านตามเป็นจริงว่ารูปอย่างนี้เวทนาสัญญาสังขารวิญนอยาอย่างนี้รู้ความเกิดของรูปรู้ความดับของรูปคุณโทษอุบายออกเช่นว่าร่างกายนี้เนี่ยรู้ว่าความเกิดของร่างกายนี้คือความตั้งอยู่ของอาหารความดับของร่างกายนี้คือความดับของอาหาร ความสุขอันใดอันใดก็แล้วแต่ในโลกนี้อาศัยร่างกายนี้เกิดขึ้นความสุขนั้นๆเป็นลดอร่อยของร่างกายนี้หรือเป็นคุณของร่างกายนี้ร่างกายนี้ไม่เที่ยงจะต้องแตกดับไปในที่สุดนั่นคือโทษของร่างกายนี้การกำจัดฉันทลาคะในร่างกายนี้เสียได้นั่นคืออุบายออกจากร่างกายนี้ มักมีองแปดนีดเองเป็นหนทางที่จะนําประสูการดับของร่างกายนี้คือรูปอันนี้นั่นเองเราจะรู้เลยว่าคุณโทษลดอร่อยความเกิดความดับร่างกายนี้ตั้งอยู่ได้เพราะอาหารคั่วๆไม่มีอาหารก็จะต้องแตกดับแล้วก็คุณโทษก็คือร่างกายที่เราจะเห็นไหมว่าเมื่อก่อนเนี่ยร่างกายนี้เราเราเราเรา จิตของเรานพยายามสแสวงหาสิ่งต่างๆมาปนเปื้ออยากกินอันนั้นก็หาให้อยากจะได้อันนั้นก็หาให้มาห่อหุ้มเลี้ยงดูร่างกายนี้ให้ใหอยู่อย่างมีความสุขแต่บัดนี้เราเห็นท่าแท้ของเขาว่าเขาเต็มไปด้วยของที่ไม่มีอะไรที่จีรังยั่งยืนอะไรเลยความสุขเหล่านั้นแหละคือรสอร่อยของร่างกายนี้เขาเรียกว่าอัศรธา อาสาทธะแปลว่าลดอร่อยของรูปนี้แต่รูปนี้ไม่เที่ยงจะต้องแตกดับจะต้องสลายตัวก็คือโทษของรูปนี้การกําจัดฉันทะลาคะการละฉันทลาคะนั้นเสียได้นั่นคืออุบายออกจากร่างกายดีก็คือการกําจัดฉันทลาคะคืออย่างที่บอกว่าให้ทําลายความยินดีในตัวเราซะก็เป็นการออกจากฉันทะลาคะในนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ย อ่อุบายออกก็คือการละฉันทลาคะการกําจัดฉันทลาคะนั้นซะนั่นคืออุบายออกมักมีองแปดนี้เองคือหนทางที่นำไปสู่การดับนั้นเข้าใจชัดเจนแล้วเมื่อร่างกายไม่เที่ยงเนี่ยเวทนาทั้งหลายจิตที่ออกไปเพราะว่าจิตหลงร่างกายนี้ก็วจิตก็เราวิ่งออกไปสู่สิ่งต่างๆที่มาบํารุงบําเรินในตัวเอง ก็กลายเป็นว่าการไปของจิตเหล่านั้นก็กลายเป็นไปเมื่อไหร่ก็กระทบอารมณ์เมื่อนั้นไปผูกพันอารมณ์มืนั้นเมื่อผูกพูพันอารมณ์นั้นเมื่อไหร่ผัสสะก็ย่อมเกิดเขาเรียกว่าไม้สองอันเสียดสีกันเมื่อไหรห่การเสียดสีนั่นเองทําให้การเสียดสีนั่นเองการสัมผัสเองคือผัสสะหรือสัมผัสเมื่อเสียดสีนานเข้านานขึ้นไปความร้อนก็จะเกิดขึ้นมา ไฟก็จะลุกขึ้นมาตามนั้นไฟนั้นก็คือลุกขึ้นมานั่นก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณร้อนเพราะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถ้าสิ่งเหล่านั้นจะไม่ให้เกิดการเสียดสีจะต้องไม่มีไฟจะต้องดับก็มีทางเดียวคือแยกไม้ทั้งสองนั้นออกซะออกจากกันซะ ถ้าเราจะให้จิตของเราเนี่ยไม่มีทุกข์มีทางเดียวก็คือแยกจิตกับอารมณ์ออกกันซะอย่าให้เสียดสีกันอย่าให้สัมผัสกันซะเราจะต้องแยกโดยวิธีเข้าใจว่าเมื่อตัวไม่เที่ยงจิต ก, ก็ไม่ควรจะเสียดสีอะไรกับอารมณ์เหล่านั้นเมื่อรู้ความจริงว่ารูปรูปนี้ไม่เที่ยงเวทนาสัญญาสังการไม่เที่ยงก็ไม่ควรที่จะปล่อยจิตไปคิดในอารมณ์เหล่านั้นทําให้เห็นอุบายออกว่า ถ้าอย่างนั้นเราดับที่ภาษา <c oughs> อันนี้อาจจะเป็นภาษาบาลีหน่อยเนาะเพราะว่าที่พูดนี้ก็เพื่อว่าเอาที่ไหนมาพูดเนี่ยเป็นเป็นคำสองพุทธเจ้าหรือเปล่าก็เอามาพูดบ้างพอสมควรความจริงแล้วเนี่ยอยากจะพูดเป็นลักษณะธรรมดามากกว่าเพราะว่าบาลีแล้วเนี่ยคนจะเข้าใจยากแต่ทุกครั้งเอามาก็จะแปลให้ แปลให้ว่าหมายถึงอะไรเพื่อจะมีสัพท์บัญญัตขึ้นมาเพื่อเป็นที่มาของของศัพทบแบบนั้นว่ามีที่มาที่ไปอยู่มีเป็นเป็นคาสอนของผู้เจ้าอยู่เมื่อเป็นอังนั้นแล้วเนี่ย เมื่อเป็นดังนั้นแล้วเนี่ยทาให้เกิดการเสียดสีที่จิตกับอารมณ์ของเรามีอยู่เนี่ยก็ขาดกันอ่าขาดกันว่าเราไม่ควรที่จะเอาจิตเราไปเกือกกั่วกับอารมณ์อะไรอีกเพราะนั่นคือความโง่เขลาสำหรับเราเมื่ออย่างนั้นความฉลาดก็เกิดขึ้นไล่ความโง่ของตัวเองออกความฉลาดเกิดขึ้นใหม่นี้เขาเรียกว่าวิชา ความโง่ของเราที่อยู่เก่าก่อน <c oughs> เขาเรียกว่าอวิชชาวิชชาก็มาไล่อวิชชานั้นออกไปเสีย <c oughs> อ่าที่บอกว่าอ่าเขาเรียกว่าวิชชาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ววิทยาได้เกิดขึ้นแล้วดวงตาได้เกิดขึ้นแล้วก็คือ ในธรรมจักรกับปานรสูตรที่กล่าวถึงว่าดวงจายานปัญญาจักหวิทยาแสงสว่างก็อันเดียวกันก็คือรู้จริงเห็นแจ้งที่บอกว่ามีอาการสามมีมีปฏิวัติสามมีอาการสิบสองไม่หมดจดเพียงใดแล้วก็คือพิจารณาทบทวนเรื่องนี้นี่เป็นเรื่องที่เราขอให้เราแจ้งอย่างเดียวนะ ถ้าเราแจ้งได้อย่างเดียวเนี่ยทุกอย่างก็จะปรากฏหมดเลยทีนี้คําว่าแจ้งเนี่ยมันต้องสว่างมันต้องชัดมันต้องเห็นมันต้องมีมีการเห็นได้ทีนี้เราไม่เห็นตัวเราเราต้องมีการอบรมอยู่ซ้ำซากและเห็นแล้วให้เป็นเครื่องยึดเครื่องอยู่ยึดนี้ไม่ใช่ว่ายึดแบบแบบแบบอุปทานนะยึดอยู่เนี่ยเพื่อจะให้จิตของเราเนี่ยตั้งมั่น มีเพื่ออยู่เพื่อเพื่อยึดเพื่อตั้งมัน่นแต่ไม่ได้ยึดเพื่อควาความเป็นอุปทานบางคนบอกว่าอยู่ตรงนั้นก็กลายเป็นพบชาติิมันไม่ใช่พบชาติตรงนั้นเพราะมันอยู่ด้วยแล้วเบื่อหน่ายด้วยการเบื่อหน่ายนั่นเองเป็นการเคลียร์ตัวเองด้วยว่าอยู่นี้แค่อยู่นะแต่เราไม่ได้ยึดนะแต่เมื่อก่อนเราเล่ล่อนเนี่ยนั่นคือยึดหมดเลยไม่อยู่นั่นคือ ย, ดดยึอยนะอยดแต่อยู่กับไม่ยึดอันนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่า เราจะต้องอยู่แต่อยู่แบบไม่ยึดไม่เช่นไม่ใช่ว่าอยู่นั่นคือยึดคนที่บางคนบอกว่าอยู่ตรงนั้นก็เป็นการยึดตพูดอย่างนั้นก็ไม่ฉลาดไม่รู้จริงว่างันเถอะพูดไปประเมินเอาตามนั้นเมื่อเป็นดังนั้นแล้วเนี่ย จิตก็สว่างสวยัยเห็นตัวตั้งแต่หัวถึงเท้ารู้แจ้งว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารอย่างนั้นอย่างนี้แต่ความจริงแล้วทำไม่ได้ราบเรียบนะต้องเจอนิวร์ห้าตัวเนี่ยดักแน่นอนสกัดกั้นหมดเลยว่าไม่ให้ไปง่ายหรอกการพิจารณาตัวเนี่ยเราต้องเจอนิวร์ห้าตัวเหมือนกับแม่ทัพห้าคนเลย ที่นำบริวารมาสกัดกัน้นเราต้องเจอแน่นอนเจออย่างหนักด้วยแต่ต้องฝา่าฝ่าไปเพื่อชัยชนะให้ได้เช่นว่าหนึ่งกา ร, รมชันทะความคิดไปทางกามซึ่งเราเกิดมาเนี่ยเป็นกา ร, รมมาพบมักจะคิดไปทางกา ร, รมนี่เป็นเรื่องใหญ่สำหรับใจของโคตรทุกคนเนี่ยมักจะไปอยู่เสมอ เมื่อจิตไปแล้วมันไปทางกามเนี่ยทําให้จิตของเราเนี่ยไม่สามารถจะมาเห็นร่างกายนี้ได้การตั้งจิตไวในกายรกตาสติเป็นอันวัดหลุดหมดเลยหลุดไปทั้งยวงเลยทําให้การคาดเคลื่อนของการทำของเราเนี่ยเสียหายไม่ตั้งมั่นอ่าไม่ตั้งมั่นจิตก็เลยแปรปวนไปหมดทําให้การวิกจเกลี่ยว่าคิดไปถึงเรื่องกามเนี่ยทำให้เป็นอุปสรรคต่กอการทำของเราตลอดเพราะ เราคุ้นเคยกับความเป็นกาบนี้มาหลายชาติแล้วมาถึงว่าเกิดมาปุ๊บเนี่ยความคุ้นเคยเหล่านั้นมันมันลบเล้าเราลบเล้าเหล่านี่ให้เป็นไปตามกระแสะธรรมชาติฉะนั้นนักปฏิบัติก็จะเจอภาวะเหล่านี้เนี่ยนักหนามีทางเดียวก็คือเกาะคลายคตาสติอย่างเดียวไม่ให้หลุดแล้วเราจะพ้นจากสิ่งเหล่านั้นได้ในที่สุดอย่าปล่อยเราจะปล่อยตัวเรา ให้เกาะเลยสองก็คือว่าพยาบาทพยาบาทก็คือในยากของตรงข้ามของกามก็คือพยาบาทแปลว่าความผูกโกรธความตั้งไว้ชึ่อความขัดเคืองความไม่พอใจความอาฆาตความพยาบาทความผูกเวรความผูกโกรดนั่นเอง ซึ่งจิตใจของเราที่ขุนเคืองมักจะเป็นปฏิสัทธ์มักจะมีความโกรธมักจะเป็นอุปสรรคต่อต้านเราเนี่ยไม่ให้ไม่ให้การการะทาของเราเนีง่ายขัดขวางเราดูดดตลอดฉะนั้นการที่เราพิจารณาตัวไม่ได้ไม่ได้ผลตามที่เราทํามักจะมีอุปสรรคก็คือความที่เราอารมณ์เราขุนเคือง อารมณ์ของเราเนี่ยมักจะมีความโกรธความขุ่นเคืองนั่นเองทําให้เป็นอุปสรรคในการถามของเราอันนี้ก็นักปฏิบัติก็จะต้องเจอธรรมชาติเหล่านี้แน่นอนแล้วก็ข้อที่สามก็คือความห่วงเหงาหงาดอนความง่วงเหงาหาานอนความขี้เกียจขี้ค้านความลาคาญใจ เราไม่ใช่ความดังชันใจความหดหู่ท้อถอยท้อแท้ความง่วงเหงาเฮานอนความาุความง่วง ง, งงเหงาเฮานอนความขี้เกียจขี้คันความหดหู่ท้อแท้ท้อถอยอันนี้จะมักจะมีอยู่นักปฏิบัติเนี่ยเราจะต้องเจอสิ่งเหล่านี้อยู่ประจําทําให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะบรรลุผล เป้าหมายตรงนี้ได้อันนี้ก็นักปฏิบัติก็จะต้องเจอสิ่งเหล่านี้อยู่ประจาก็มีทางเดียวคือยืนหยัดกายคตตาสติอย่างเดียวเขาเรียกว่ายึดเอาตั้งไว้ในตัวเราอย่างเดียวอย่าให้หายอย่าให้หลุดอย่าให้เป็นอื่นเขาเรียกว่าเกาะอย่างนี้อย่างเดียวแล้วเราจะผ่านนิวรณ์ไปได้ได้ทั้งหมด ถ้าหลุดจากตัวเรานี้นิวรณ์ท่ารุมทันทีเลยแล้วก็ตัวที่สามตั ว, ต, วตัวที่สี่ก็คือความฟุ้งซ่านฟุ้งอะไรก็ไม่รู้คิดมั่วไปหมดความคิดคนเหล่านี้จัดเกินไปเป็นระยะระยะระยะความคิดธรรมดานี่พอพอก็พอทุกราพอพอพอทนได้บ้างแต่ความคิดนั้นมากผิดปกติเขาเรียกว่าฟุง้ง ความคิดธรรมดาหรือมันไม่ฟุ้งนะถือว่าความคิดปกติแต่ความคิดนั้นไม่ผิดไม่ไม่ปกติผิดปกติขึ้นมาก็คือคิดมากกว่าเดิมหลายเท่าแล้วก็รุนแรงค่อนข้างรุนแรงสูง <c oughs> เขาเรียกว่าความฟุ้งฉะนั้นอุดทัศน์ จ, จะกูกุจอเนี่แปลว่าความฟุ้งซ่านลาคาญใจความฟุ้งซ่านแล้วก็ผ่านให้ลำลำคาญใจ เสียแทงใจให้เจ็บแสบปวดล้าวอยู่เสมออันนี้นักปฏิบัติจะต้องเจอว่าเวลาทรรมกรรมฐานเนี่ยความพุ่งซ่านนี่เอาเรื่องอ่าแต่ละตัวเนี่ยมันมันมั น, ม, น, ม, นมันไม่ใช่ไม่ใช่ง่ายไม่ใช่ไม่ใช่เล็กๆ็กน้อยน้อยนะแต่ละตัวนี่หนักหนาสาหัสนะเพราะว่าความพุ่งซ่านนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่ ความฟุ้งซ่านแล้วยังไม่พอนะเขาเรียกว่าผ่านสงสัยด้วยฉะนั้นเราจังเห็นเกสังเกตไหมว่าเ <c oughs> วลาจิตเราฟุ้งซ่านมันปุ๊บเนี่ยขบวนการของการทําของเรามันแตกหมดเลยอะ่ะมันกระเจามันกระเซาะกระเซิงมันกระจัดกระจายไปหมดแล้วผ่านสงสัยผ่านสงสัยเอ๊ะทำไมเราทำเนี่ยผิดหรือเปล่า หรือว่าทางทั้งหมดเนี่ยไม่ถูกแล้วบางครั้งสงสัยบางครั้งหายสงสัยบางครั้งสงสัยบางครั้งหายสงสัยสลับกันอยู่เลยบางครั้งก็มั่นใจแล้วว่าเราทำได่ถูกสมมุติว่าวันนี้รู้สึ ก, กว่ามั่นใจนะทามั่นใจมากวันหลังมาในี่นิบอลห้าลุมบ้างว่าอา้าวสงสัยกันแล้วว่ า, าถูกหรือเปล่าเนี่ย เดี๋ยวมั่นใจเดี๋ยวสงสัยเดี๋ยวมั่นใจเดี๋ยวสงสัยจะเป็นระยะระยะระยะระยะเลยอันนี้บัณทรนะบัณฑทรทจริตใจฟุ้งซ่านไม่พอผ่านสงสัยมันจะเป็นของตามมาเลยนะัสงสัยเนี่ยฟุ้งซ่านก็ผ่านสงสัยกามชันทะกามชันทะมากก็ผ่านสงสัยพยาบาทมากก็ผ่านสงสัย ความง่วงเหงาเฮานอนมากก็ผ่านสงสัยฟุ้งซ่านมากก็ผ่านสงสัยเพราะสงสัยเนี่ยมาจากแทบทุกตัวเลยเมื่อเมื่อมันไม่แยบคายนยมันก็เสียขบวนเมื่อเสียขบวนปุ๊บความสงสัยมักจะตามมาแต่พระโสดาบันนี่นะไม่มีความสงสัยนะเพราะอะไรเขาแก่พอจิตไม่ค่อยแปรปรวน จิตเขาตั้งมั่นดีลบางคนบอกว่าโอ้พระโสดาบันที่ว่านเนี่ยสูงเหลือเกินมันจะได้หรือเปล่าอา้าวไม่สูงจะดีหรือพระโสดาบันนี่ไม่ใช่ธรรมดานะคนที่เป็นโสดาบันบางคนบอกว่าโอ้เขาหลายคนก็เป็นกันเท่านั้นแหละเพราะได้ง่ายไม่ใช่ได้ยากอะไรที่อื่นเขาได้กันเยอะแยะ ไม่ง่ายนะบอกให้โซดาบันที่เขาได้กันไม่ใช่ว่าจะมาตรฐานนะเป็นโดาบันที่สมมตเเิเอาเองละเอออเอาเองอะไม่ใช่สมบัติโสดาบันของพูะเจ้าพระโสดาบันพระเจ้าเนี่ยสมัยพุทธเจ้าจริงๆเนี่ยท่านรับรับรองเป็นโซดาบันมีความเป็นไปได้สูงมากที่ใจเด็ดเดี่ยวใจเด็ดเดี่ยวมากนะขนาดที่ว่า พระพิสุเนี่ยไปบินธบาตเนี่ยเ้าห้ามบินเกินสามองค์เลยกว่า น, นั้นไม่ให้หลพระพิสุจะปรับโทษกันเองถือว่าพระโสดาบันเนี่ยให้อะไรให้แบบไม่ยั้งเลยซึ่งจะเป็นการลบกวนคนที่บรรลุโสดาบันให้ให้ละบากะด้านพิสุสงฆ์จะไปบินธบาตตระกูลไหนที่เป็นโสดาบัน ขึ้นไปเนี่ยพระโสดาบันขึ้นไปแล้วเนี่ยจะไม่ได้เกินสามองค์ถ้าเกินกว่านั้นไม่ได้ผู้เจ้าปรับโทษถือว่าไปลบกวนมากไปเพราะโสดาบันนี้จะไม่สงไม่ไม่มีกัรตนีเลยซึ่งจะเป็นการลบกวนเขาเกินไปให้รู้จักพอมีอยู่ข้างหนึ่งนะอ่าพิสูงองค์หนึ่งนะ่ป่วย แล้วก็พิสูุองค์หนึ่งเนี่ยขอไปขอน้ําต้มเนื้อแก่ตระกูลที่เป็นโสดาบันเพราะน้ําต้มเนื้อเนี่ยเนื้อเขาไม่ให้ไม่ให้ฉันเลยก็เลยขอน้ําต้มมาสําหรับพิสูจน์ไข้เท่านั้นนะเหมือนน้าซุปไก่อย่างเงี้ยซุปไก่แบรนด์อะไรพวกนี้ที่ที่เราที่เราเห็นกันเนี่ยสมัยนี้เนี่ยแล้วก็แต่นั้นเป็นเนื้อ เผอิญว่าวันนั้นเนื้อไม่มีขายในตลาดคนนี้ก็เป็นโสดาบันแล้วก็ให้คนใช้ไปดูเนื้อในตลาดปรากฏว่าเป็นวันอะไรที่เขาไม่ไม่มีเนื้อกันไม่ฆ่าสัตว์กันก็เลยหาเนื้อไม่ได้สุดท้ายก็คือเชือดขาตัวเองต้มเชือดเนื้อไหนใครเป็นโสดาบันลองเชือดดูที่ได้เป่ะ กล้าถึงขนาดนั้นนะเชือดแล้วก็ต้มเลยต้มแล้วก็ตัวเองก็นอนสมเลยโขผ้าห่มคุมเลยจนพิสูจนะ์ไปฉันไม่รู้เลยนะฉันเนื้อน้ำต้มเนื้อนะปรากฏว่าเรื่องความก็แตกออกมาพระเจ้าเสด็จไปเยี่ยมคนนี้เลยนะไปเยี่ยมแล้วเนี่ยก็เลยด้วยพุทธานุภาพ เนื้อนก็นงอกมันดังเดิมนี่คือความเด็ดเดี่ยวของโซดาบันไม่ไม่ไม่กลัวแม้แต่ความตายเพราะอะไรละสกายาธิธิได้สุดยอดไม่กลัวเลยเชื่อดเนื้อตัวเองก็เอาทำทานขนาดนั้นแหะไม่มีนี่ไม่ไม่ยอมเลยนะไม่ไม่ใช่มันคือการละสกายาธิธิเนี่ย เขาสักกายะแปลว่าไม่เห็นร่างกายนี้เป็นของเราเขาไม่เสียดายหรือร่างกายนี้เพราะเขาเห็นหน้าเรืเ่อเบื่อหน่ายแล้วอะฉะนั้นไม่ใช่ของง่ายนะที่คนเราจะเบื่อหน่ายและเห็นได้อย่างนี้นะต้องมีเหตุข้างในนี่มากพอฉะนั้นเขาเรียกว่าสละชีวิตแทนแทนศีลตัวเองได้เขาเรียกว่าพระโสดาบันเนี่ยเป็นผู้เลิศกุศลศีล น, น, นี่บริสุทธิ์มาก เพราะว่าเอาชีวิตเข้าแทนเลยคือยอมตายดีกว่าศีลจะเสียนี่คือความเด็ดเดี่ยวที่ที่ไม่สามารถที่ที่จะเห็นคือเห็นความตายเป็นของเล็กน้อยไปเสียแล้วศีลเพ็นของมากกว่าโสดา บ, บันทาได้หมดเลยไม่ใช่ไม่ใช่ง่ายนะโซดา บ, บันที่เราว่าว่า ก, กันนี่นะใครสักกี่คน ไม่ใช่ทําง่ายนะพระก็พระโยมก็โยมไม่ใช่ใครได้ง่ายที่เขาได้ได้กันพูดกันพูดเอาเองเออเอเองต้องมีเหตุนะจิตมั่นคงมากนะจิตนี้นิวรณ์ห้ากินไม่ลงอะ่ะเนี่ยวิวรณ์ห้าเบาบางมากความสงสัยไม่มีเลยอะ่ะเรานี่ทําไปสงสัยไปทําไปสงสัยไปไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ใช่เลยอะไม่ใช่ เพราะญาณทัษณะมันไม่พอดวงตามันยังมืดบอดอยู่มันยังไม่แจ้ง <c oughs> ฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะต้องเอาภายในว่าแต่ส่วนมากแล้วคนที่ปฏิบัติกันเนี่ยเขาจะไม่ค่อยสนใจว่าตัวเองได้อะไรไม่สนใจ เขาสนใจได้ว่าทำยังไงจะพ้นทุกข์ได้เร็วๆไม่สนใจได้อะไรไม่ไม่พอใจหรอกเขาอยากจะพ้นอย่างเดียววนมากจะเป็นอย่างนั้นไม่ไม่ไม่อยากจะบัญญัติว่าตัวเองเป็นอะไรเพราะเป็นอะไรก็ทุกข์หมดเลยนอกจากไม่เป็นน่ะไม่ไม่ไม่เป็นทุกข์ก็คือไม่เป็นอะไรก็คือพ้นทุกข์เลย อันนี้แหละคือความความที่คนคนนั้นเห็นว่าการพ้นทุกเน่ยเป็นจุดหมายเดียวเท่านั้นไม่ต้องการจุดหมายอื่นทีนี้เมื่อบุคคล น, นั้นผ่านนิวรณ์ผ่านนิวรณนได้ก็คือมีการเขาเรียกว่าจะผ่านได้ก็มีการตั้งกายคตาสติอย่างเดียว พยายามเกาะตัวเองไว้เกาะกรุงไว้เกาะอย่าให้หลุดแล้วนี่วอนห้าจะจะทำลายเราไม่ได้ถ้าเราหลุดไปเมื่อใดเนี่ยเนยก็พักตรงนั้นทำได้ก็ทำต่อไปแล้วนี่วอนห้าจะเอาเราไม่ได้หรอเมื่อบุคคลนี้ทำได้อย่างนี้เนี่ยก็เห็นตัวเองเนี่ยตามลำดับลำดับเมื่อเห็นตัวเองมากขึ้นมากขึ้นไปมากขึ้นไปมากขึ้นไป เราก็เห็นตัวเองแจ้งขึ้นแจ้งขึ้นจากจุดใดจุดหนึ่งสมาธิก็มากขึ้นตามมากขึ้นไปมากขึ้นไปจนในที่สุดแล้วนะเราเห็นตัวเองแจ้งไปทั่วสารพังร่างกายเมื่อแจ้งเข้าไปแก่เข้าไปแก่เขาก็คือการเบื่อหนายเบื่อนายตัวเองได้เท่าใหรก็เบื่อหน่ายโลกเท่านั้นเบื่อนายตัวเองได้เท่าใดก็เบื่อหญิงชายเท่านั้นเบือ่อควอาม หญิงชายเท่าไหร่ก็ขายความเป็นลาคะออกเท่านั้นโทสะออกเท่านั้นลายไปคลายไปลายไปคลายไปเบื่อตัวเองได้ใจก็คลายอารมณ์ของโลกอย่างที่เรากะไว้แล้วว่าถ้าเราเบื่อหน่ายตัวเองก็เป็นไปได้ว่าเราจะเบื่อหน่ายโลกเมื่อเราเบื่อหน่ายโลกก็เป็นไปได้ว่าเราจะขายอารมณ์ของโลกก็เป็นไปตามนั้นจริงๆ เมื่อขายอารมณ์ของโลกเป็นไปได้ว่าเราจะตั้งมั่นเมื่อตั้งมั่นจิตเราก็จะหลุดพ้นอันนี้ก็เป็นไปได้เพราะแนวทางนี้เป็นไปได้เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยการตั้งมั่นของจิตก็เกิดขึ้นมากมายทำให้เราเนี่ย เบื่อหน่ายตัวเองก็เบื่อหน่ายโลกความเห็นอันนี้นะจะไม่ดับนะมากเข้าไปแก่เข้าไปแก่เข้าไปจะไม่ดับเห็นกลางคืนกลางวันตับหลับหลับตื่นเห็นอยู่ตลอดเวลาเมื่อเป็นอย่างนั้นก็เบือบบ่อเป็นเบื่อหน่ายตัวเองก็เบื่อหน่ายโลกเบื่อหน่ายโลกก็ขายความเป็นหญิงเป็นชายความความความเป็นหญิงเป็นชายก็ขายออกไปขายไปในุดท้ายก็หมด คนเราที่เป็นหญิงเป็นชายมา แ, แต่กำเนิดสุดท้ายจะไม่เหลืออะไรไว้เลยความเป็นหญิงเป็นชายที่มีอยู่ก็สิ้นไปหมดไปดับไปในที่สุดดับได้จริงๆอย่างไม่น่าเชื่อว่าคนเรานี่เป็นได้ทั้งๆที่หญิงชายเนี่ยเราเกิดมามันก็มีอยู่แล้วปรากฏว่าความเป็นหญิงเป็นชายหมดกันไปเราอัศจรรย์ใจว่า ธรรมชาติเหล่านี้เป็นของที่แก้ได้จริงๆไม่ได้แก้ที่ไหนนะแก้ที่เห็นเบื่อหน่ายตัวเองนี่เองนะเมื่อเบื่อหน่ายตัวเองก็เบื่อหน่ายคนอื่นเมื่อเบื่อหน่ายคนอื่นก็คลายความเป็นหญิงเป็นชายออกซัประเลยเห็นคนตายหมอเห็นคนไข้ ย, ยังไม่เบื่อเลยแต่การเห็นตัวเองนั้นกลับเบื่อได้อย่างน่าอาจจัศจรรย์ว่าการเห็นตัวเองนี่เอง เป็นการเห็นที่ทำให้กิเลสเหล่านี้ออกได้หลุดได้เป็นของที่ทำให้เราเนี่ยหายลุ่มลงเป็นของที่เราเนี่ยหลุดจากการที่เร า, าความที่ถูกจองจำด้วยการเป็นเพศหญิงเพศชายนั้นการมาสังโยตก็คือกิเลสการนี้ก็ออกไปออกไปจากจิต กามก็ออกไปราคะออกไปโทสะออกไปคนนั้นก็กลายเป็นพระอนาคามีอ่าไปเป็นไปทําไปทําไปทําไปสุดท้ายก็เป็นพระอนาคามีก็คือละความยินดียินร้ายในโลกเสจะได้ไม่มีความยินดีไม่มีความยินร้ายไม่มีความดีใจเสียใจอ่าทั้งหมดเนี้ยได้เขาเรียกว่าคนนั้นก็คือเป็นผู้ สามารถที่จะทำให้ตัวเองนี้หลุดพ้นจากเครื่องรอยหลัดมัิจิตไว้และการที่เราละความเป็นหญิงเป็นชายได้เนี่ยละตาลืมๆนี้อีกนะไม่ได้นั่งสมาธินะไม่ได้เข้าสมาธิอะไรอยู่ภาวะจิตเป็นคนธรรมดา คนธรรมดาตาลืมลืมเนี่ยเป็นวันเป็นคืนเสมอต้นเสมอปลายนะวันนี้ก็เท่านี้แหละมันละ ก, ก็ละอยู่อย่างนั้นแหละกี่ปีก็ช่างกี่เดือนก็ช่างกี่กี่ร้อยปีก็ช่างก็เป็นธรรมชาติดังเดิมละแล้วก็เป็นอันละไม่หวนกลับมามันไม่เหมือนสมาธิธรรมดาเนี่สมาธิธรรมดานี่มันหลีกออกไปเนี่ยกิเลสมันไม่มีแต่ออกมามีเหมือนเดิมหญิงชายก็มีเหมือนเดิม ฉะนั้นการที่เราเห็นตัวเองได้เนี่ยหญิงชายก็ไม่เหลือแล้วเมื่อเมือม่อเมื่อไม่เหลือแล้วเนี่ยดับไปแล้วเนี่ยจะไม่หวนกลับมาสู่การมีอีกเป็นไปไม่ได้เลยที่หวนกลับมามีอีกเนี่ยเป็นไปไม่ได้พเพราะเครื่องรู้เครื่องเห็นตัวเองอยู่เนี่ยมันแจ่มแจ้งมากแจ่มแจ้งมากเป็นของที่เราเห็นตัวเองได้ถนัดชัดเจน แล้วก็เป็นของที่เราเห็นได้จริงๆจนความเห็นอ น, นั้นน่ะเป็นของปกติของคนนั้นเหมือนกับว่าเป็นธรรมชาติเลยความจริงแล้วทางเส้นนี้นะไม่ใช่ทางเส้นที่พุทธเจ้าสร้างขึ้นมาไม่ใช่นะเป็นธรรมชาติที่สร้างไว้แล้วแต่เราเพียงแต่เราไม่เคยเดิน เวลาเราเดินปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นว่าโอ้มันเป็นทางที่มีอยู่แล้วนี่พรเจ้าท่านก็กล่าวว่าทางนี้มีอยู่แล้วเราจะอุบัติขึ้นไม่อุบัติขึ้นก็ตามทางนี้ก็มีอยู่นั่นเองหมายถึงทางที่พ้นทุกข์คือทางปฏิบัติเนี่ยความจริงแล้วก็คือเป็นทางธรรมชาติที่มีอยู่แล้วการเอาจิตมาทาอย่างนี้ถือว่ามีอยู่แล้วนะแต่เราไม่เคยเอามาไงเราเพิ่งจะเอามาทา ก็กลายเป็นว่าทางเส้นนี้เนี่ยมีเป็นเป็นทางที่มีอยู่ประจำโลกไม่ใช่ว่าเป็นของพูะเจ้าที่เป็นผู้สร้างขึ้นพระอรหันต์เป็นผู้สร้างไม่ใช่เป็นทางที่มีอยู่ประจำโลกเพื่ อ, อไว้แก้แก้โลกนี้ว่าโลกเนี้ยเป็นอย่างนี้ต้องแก้อย่างนี้เขามีให้แก้กันแต่ว่าพูะเจ้าไปนค้นพบทางแก้นี้ก็เลยเอามาชี้แจงว่า สิ่งเหล่านี้มีอยู่เมื่อพุทองค์ชงค้นพบแล้วมาชี้แจงแล้วก็กลายเป็นคําสอนขึ้นมาเหมือนกับผู้เจ้าองค์ต่อไปจะต้องมารู้อันเดียวกันนี่แหละผู้เจ้าองค์ก่อนก็รู้แบบเดียวกันนี่เองฉะนั้นเป็นธรรมเนียมของผู้เจ้าต้องมารู้สิ่งเดียวกันนี้เรามาเจอคําสอนผู้เจ้ายุค ป, ปัจจุบันก็เท่ากับเราจะเจอในสมัยอนาคตนั่นเอง แต่เราจะอยู่ไหวหรืออนาคตตอนนี้เราก็ทุกขนาดนี้แล้วจบตอนนี้ก็จบอนาคตกันเดียวกันนั่นเองดีไม่ดีอนาคตจะจบหรือเปล่ายังไม่รู้เพราะว่าเรายังฝากผีฝากไข่อะไรไม่ได้ตัวเรายังรุ่มๆุ่มด อ, ดอนดอนอยู่เราทำา่ะตรงนี้ให้ดีที่สุดดีกว่าอันนี้ก็คือว่าทำปัจจุบันให้ดีและให้สูงพอที่จะต้องไม่หล่นไป อย่างที่ไม่ได้ก็คือโสดาบันนั่นเนี่ยเพราะจะต้องมีมาตรฐานว่าไม่เกินเจ็ดชาติถ้าเมื่อบุคคลนั้นทำได้อย่างนี้แล้วเนี่ยก็กลายเป็นว่าละสังโยชห้าได้สังโยชห้าละอวิชาตัญหาอุปทานได้ทำให้การพิจารณาตัวก็จบ แต่ว่าก า, การกระทำทั้งหมดยังไม่จบนะยังไม่จบเมื่อการพิจารณาตัวเราเนี่ยเห็นตัวเองได้อย่างนี้แล้วถือว่าพิจารณาตัวเองจบแล้วเราจะจบตรงที่ว่าจิตเราละความเป็นหญิงเป็นชายแล้วและเราจะไม่หวนกลับมาสู่การมีอีกสังเกตแล้วว่าไม่มาแล้วแน่นอนเราถึงจะพอนะดังนั้นคนที่เราพิจารณาร่างกายเนี่ยเราจ้องรู้ตัวเองว่า พิจารณาถึงขนาดที่ว่าจิตเราไม่ออกไปไหนแล้วละอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้ในสติปารานสูตรจะพูดไว้เลยว่าพิจารณากายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมจนละอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้ก็คือละความยินดีในร้ายในโลกเสียได้ก็คือไม่ไม่ไปไหนมาไหนจิตนั้นก็กลายเป็นจิตที่มั่นคงไม่ไปไม่มา อันนี้แหละเขาเรียกว่ า, าเขาเรียกว่าละกิเลสก็ตามนั้นหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราถึงจะไปทําสมาธิฌานทีหลังในสมาธิฌานนี่ก็คือว่าท่านกล่าวไว้แล้วนี่ว่าสมาสมาธิคืออะไรสมาสมาธิคือพิสุสงัดจากกามสกัดจากอากูสลธรรมทั้งหลาย ยังปฐมฌานให้เกิดทฤษฌานที่บอกว่าตอนที่เราทําพิจารณาร่างกายแล้วแย่งเกิดอ่ะเราก็บอกว่ามันยังไม่ต้องเข้านะตอนนี้เอามาเข้าแหละมาทําแล้วบางคนบอกว่าพิจารณาทำาทำสมาธิไม่เอาฌานเหลยเขาไม่เอาตอนโน้นแต่เขาจะมาเอาตอนนี้เหตุผลก็คือว่าถ้าเราเอาไปมันก็ไม่รอดเพราะก่อนหน้านั้นเราก็ทํามาแล้วมันก็ไม่รอดอยู่ดี แล้วการพิจารณาตัวเราก็จะไม่จบถ้าจบแล้วเราไม่มีงานทําเราก็ต้องทําจําเป็นต้องมาทําฉะนั้นพระพุทธเจ้า ก, ก็สันเซอร์ให้ทําตอนนี้ก็คือทําฌานขึ้นมาหลังจากที่กําจัดกามแล้วความเป็นหญิงเป็นชายไม่มีแล้วแล้วก็กําจัดอกุศลละธรรมก็คือกามหมดก็คืออกุศลก็หมดเมื่อกามหมดอกุศลก็ธรรมก็หมดเนี่ยก็กลายเป็นว่าคนนั้นก็ว่าง ไม่ได้ทําอะไรก็เอาชานมาทําการที่เราพิจารณาหรือการเจริญชานไม่ยากนะเพราะว่าอะไรเพราะขนาดที่ไม่ทําเนี่ยจิตเราก็ไม่ได้ออกแล้วไม่ได้ไปไม่ได้มาไม่ได้ไปไหนมาแล้วไม่ได้ไปไหนมาไหนแล้วจิตเรามั่นคงแล้วฉะนั้นการที่เราจะให้จิตเราเป็นชานเนี่ยจึงไม่มีอุปสรรคอะไรแต่ถ้าเกิดไม่ทํามันก็ไม่เป็นนะ มันก็จะเป็นจิตที่เป็นยาทัศนะไปถ้าเกิดว่าองค์นั้นไม่ทาจริงๆไม่ขอทำด้วยเพราะว่ามีปัญญามากถ้าทำไปแล้วเนี่ยยังไงยังไงก็ต้องทิ้งอยู่ดีเพราะฌานนั้นเป็นของโลกนี้เอามาใช้แต่ต้องส่งคืนเขาเหมือนเดิมตอนที่เราจะไปแล้วเมื่อส่งคืนแล้วจะทำไปทำไมทำแล้วก็ต้องทิ้งอยู่ดีแล้วทำทำไมแล้ว สู้ไม่ทำไม่ดีกว่าหรือก็เลยรวบรวมสติปัญญาทั้งหมดถ้าอย่างนั้นแล้วอาสวะทั้งหมดนี้ก็ไม่ควรที่จะมีแก่เราก็ปรากฏว่าเขาสามารถบรรลุทำได้ก็คือเป็นพระหลานเขาเรียกว่าพระหลานประเภทนี้ก็คือสุขวิปัสสโกโดยที่ไม่ต้องทําฌานขึ้นมาเพราะทําแล้วนี่ก็ต้องทิ้งเหมือนเดิมเหมือนกันเพราะเข้าใจแล้วว่านิพานนี้อย่างไรอันนี้เขาเรียกว่า เป็นพระอรหันต์ได้แต่องค์อีกองค์หนึ่งต้องทําขึ้นมาเพราะว่าอยากจะรู้เรื่องวิชาสอ่าวิชา3คืออะไรวิชาแปลว่ารู้สามก็คือ3อย่างก็คือเราอยากจะรู้ภพชาติของตัวเอง 2. ก็คืออยากจะรู้ภพชาติของผู้อื่นด้วย3ก็คือว่าเราจะต้องใช้ทั้งสองอย่างนี้แหละผสมประสาน ก, นกันกับระหว่างที่เราเห็นกายตัวเองและเห็นภพชาติของ ร่างกายของเราแต่ละภพระชาติด้วยเอามาผสมผสานกันแล้วก็รวบรวมหมดอาสวะเพื่อจะได้วิชาสามอันนี้บุคคล น, นั้นก็ทำฌานขึ้นมาได้และอาศัยอาศัยฌานนั่นเองจากฌานอรูปฌ า, านนี้เข้าเข้าออ ก, ออกจนให้ชำนิชำนาญ ให้ชำนี้ชำนานจนกลายเป็นว่าทำบ่อยๆทำให้มากจเจริญให้มากแล้วจนถึงจะดูทะชานก็ได้เลยเลยเป็นอรูปฌานเลยก็ได้แต่จะดูทะชานก็พอก็มีก็น้อมจิตไปลักษณะของ อ, อยากจะเห็นพบชาติของตัวเองก็เรียกว่าบุเพนิวาสานุจติยาน ฉะนั้นจิตนี้ควรแต่การงานทุกอย่างนิวรณ5ห้าก็ดับไปแล้วหญิงชายก็ดับไปแล้วอารมณ์น้อยใหญ่ก็ไม่มีง่ายต่อการที่จะเราไปรู้เห็นอะไรก็คือเห็นพบชาติต่างๆทำให้เราเนี่ยเข้าไปรู้ไปเห็นด้วยใช้อำนาจของฌานนั่นเองให้ไปรู้ไปเห็นพบชาติของเราต่างๆได้เขาเรียกว่ารู้อย่างนี้เขาเรียกว่าลึกชาติได้นั่นเอง เขาเรียกว่าระลึกชาติได้เขาเรียกว่าบุพเพนิวาสานุสติญาณแล้วก็ลึกชาติได้ของผู้อื่นเห็นผู้อื่นเหมือนกับเห็นตนเขาเรียกว่าจตูปัจจยานทั้งหมดนี้การเห็นผู้อื่นก็ดีเห็นตัวเองก็ดีล้วนแล้วแต่ว่าตกอยู่ในภาวะเดียวกันก็คือทุกท่องเที่ยวอยู่ในโลกก็คือตัณหาทั้งหลาย ยึดมั่นถือมั่นอุปทานทั้งหลายก็คือยึดมั่นขันห้าว่าเป็นเรายึดร่างกายนี้ทั้งนั้นว่างั้นเถอะเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเห็นเขาเห็นเราตามจริงก็เกิดการสลดสังเวชทั้งหมดก็เบื่อหน่ายคลายกิเลสของตัวเองออกงในที่สุดก็เลิกหมดอาสวะก็เรียกว่าอาสวะขา ย, ยายนก็คือดับเย็นทําให้คนนั้นดับสนิทในการดับทุกข์ทั้งหมด ในที่สุดแล้วกีเดทก็ดับไปเขาเรียกว่าเป็นพระอรหันต์เขาเรียกบรรลุวิชาสามอันนี้เขาเรียกว่าหนทางที่จะนำไปสู่การดับทุกข์ของคนเหลาก็คือวิชาสามนี่เอง ฉะนั้นวิชาสามนี้จึงเป็นเขาเรียกว่าเป็นวิชาที่วิชาไปว่ารู้สามก็คือสามอย่างคือบุกเพนิวาส า, านุสติญาณรึกชาติตัวเองได้จตูปัญญาณเห็นภพชาติของผู้อื่นอาสวะขยายานคือหมดอาสวะเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยคนนั้นก็สามารถที่จะบรรลุธรรม ขั้นสูงสุดก็คือเป็นพระรหันต์สุดท้ายเนี่ยเวลา่ะสังขารเนี่ยฌานเหล่านั้นก็ต้องทิ้งอยู่ดีแล้วก็ไปอยู่จุดเดียวกับสุขภวิปัสสโกนั่นเองก็คือญอาติทัศนะการรู้เห็นวางไปทุกอย่างอยู่ในภาวะจิตตื่นจิตตื่นจิตธรรมดาเน่เองที่ไม่อยู่ในฌานไม่อยู่ในสมาธิอะไร <c oughs> อันนี้เป็นความเข้าใจของคนที่เข้าถึงนะ เพราะชานไม่ได้เลยถึงจะเป็นโกกุตละก็ไม่ได้เอาไปถึงจะเป็นโลกียิ่งเอาไปไม่ได้เลยเอาเป็นของชายชั้นชานนี้จึงเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นวิญญาณชนิดหนึ่งที่ตั้งอยู่แล้วเนี่ยมีมีฉันทะราคะติดอยู่การกําจัดฉันทะราคะในชานนั้นถึงจะเป็นผู้พ้นทุก ข, ของของพาระละหารทั้งหลายเวลาทําสมาธิชานนี่จิตมันสุขมากนะ แต่ว่าเมื่อความสุขนั้นมีอยู่ตัวเองไปติดความสุขนั้นเขาเรียกว่ารูปราคะรูปราคะหนึ่งเราจะเห็นว่ารูปก็คือรูปประชานอารูปก็คืออารูปประชานราคะก็คือยินดีเราจะเห็นว่าคาว่าราคะนี่ไปอยู่ทางโน้นอีกน ะ, ะพระาราหันก็ละพระานาคาก็ละราคะแล้วอันนี้เขาเรียกว่ากามาราคะ นั้นลาค่าคำนี้ยังเป็นเป็นมันเป็นศัพ์กลางๆแปลว่ายินดีแต่เราเครื่อพูดราคะคือการมร า, าคะอย่างเดียวเลยฉะนั้นความหมายของคนเราเน ท, ที่ที่พูดถึงราคะเนี่ยการมร า, าคะเนี่ยราค่าเนี่ยหมายถึงกรรมราคะนั้ น, าา ค, น, าา ค, น, นความจริงก็ใช่อยู่แต่ก็กว้างกว่านั้นอีกแต่ความหมายกว้างๆเราไม่ได้เรียกนะความจริงคําว่าราคะเนี่ยกว้างนะแปลว่ายินดียินดี ฉันท่าแปลว่าพอใจฉะนั้นฉันท่าลาคะแปลว่ายินดีและพอใจคำสองคานี้ก็คือยินดีพอใจนั่นเองอย่างที่ว่าวิาวลาคะวิแปลว่าไม่ลาคะก็พอใจนั่นเองฉะนั้นคำลาว่าคำว่าลาคะตัวนี้เนี่ยเป็นคํากว้างไม่ใช่ไม่ใช่คำว่ า, าลาคะอย่างเดียวแต่เราความหมายของคนทั่วไปจะให้กชื่อว่าลาคะก็คือความยินดีหญิงชายอย่างเดียวแค่ไป ไม่ถูกแม้ว่าพระนาคามีเนี่ยละคาลาคะไปแล้วแต่พระราหันนี่ยังมีคําว่าราคะอยู่เห็นไหมว่ารูปราคะอรูปราคะคือสังโยชน์ยังมีคํานี้ขึ้นมาอ้าวแล้วราคาเนี่ของพระพระนาคาก็ดับแล้วทําไมราคาตรงนี้มีอีกราคาที่มีอีกนี้ไม่ใช่ราคาแบบยิงชายแล้วราคาตรงนี้เขาเรียกยินดีรูปราคะยินดีในรูปฌาน อารูปปราคะคือยินดีอใ น, น, นอารูปฌานนั่นเองจึงคำเรียกจึงจึงมีคำว่าราคะคำนี้ออกมาเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยคนนั้นก็กลายเป็นพระหรหันต์เมื่อเป็นพระหรหันต์แล้วเนี่ยก็คือเรียกว่ า, าจบกิจเมื่อจบกิจเนี่ยคุณพิเศษก็คือ อภินยาหกวิโมก8แปดปฏิสัมพิธาสี่ก็จะตามมาอีกเป็นของแถมเขาเรียกว่าคุณนะพิเศษคือคือสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเป็น <c oughs> เป็นผลพลอยได้อะเป็นผลผลพอยได้ของการทำผลพลอยได้ของการทำก็คือหนึ่งอภิญญาหกก็สามารถที่จะมีฤทธิ์มากมายโมทิปตาทิปนั่นเอง สองก็คือวิโมกแก็หมายถึงคล้ายๆว่าเข้านิโรธสมาบัติเป็นเครื่องอยู่ของวิโมกขธรรมแปประการข้อ3มก็คือว่าปฏิสัมพิทาสี่สามารถที่จะแตกฉานในอัดในธรรมในภาษาในปฏิผ า, านแตกฉานในการที่เข้าสู่การดับทุกข์ได้อย่างคล่องแคล่วชำนาญ แตกฉานในอัดในทาเหล่านั้นอันนี้เขาเรียกว่าปฏิสัมพิทาสี่เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยคนนั้นก็ถือว่าบริบูรณ์ในการที่เราจะล้องรู้อเยสัสสี เขาเรียกว่ารู้แจ้งในิยสัตทั้งสีได้ว่านี่ทุกข์นี่เหตุของทุกข์นี่การดับทุกข์นี่ข้อปฏิบัติที่นำไปสู่การดับทุกข์ได้การรู้การเห็นการเข้าใจอย่างนั้นหมดสิ้นความสงสัยว่าสิ่งต่างๆที่เป็นอยู่เป็นเหตุปัจจัยอะไรคนนั้นก็กลายเป็นผู้รู้แจ้งในศาสนานี้ก็เพราะมารู้นิยสัต รู้เยสัสตร์รู้เยสัสต์ก็คือรู้เยศัสต์สี่เจตุลาเยสัสต์สี่อย่างก็คือทุกสมูทายนิโรธมาไม่สงสัยในทางแล้วสามารถจะมีผลออกมาผลอันนั้นเองจึงเป็นสกีพยานของการเห็นแจ้งของคนเราและความจริงแล้วเนี่ยตรงเยศัตสต์นี่จะครอบคุมไปทุกรำทุกหมวดทุกหมวด ว่าโพ ธ, ธิปักษขยธรรม37ประการที่มีอยู่ก็ถูกบำเพ็ญไปเมื่อพุทธองค์ทรงสอนถึงความเป็นไปต่างๆในเยสัตต์และกระสงสาวกทั้คงหลายก็เป็นผู้เรียนรู้เข้าถึงในสิ่งเหล่านั้นได้ก็กลายเป็นว่าคนนั้นก็กลายเป็นพระลหันเป็นผู้รู้ติดตามเห็นตามในคำสอนพู้เจ้า ฉะนั้นการรู้เห็นตามเหล่านั้นจึงเป็นสกีพยาธของการรู้เห็นอายสัตว์สี่บางครั้งเนี่ยเราอาจจะสงสัยว่าอายสัตสี่นี้เท่านั้นเลย อ, อย่างอื่นไม่ได้เลยคือคือความความเป็นโครงสร้างความเป็นบทเนี่ยอยสัตสี่ใหญ่กว่าความเป็นหัวข้อต่างๆ่างงดทมอื่นๆเนี่ยก็เพหิหัวข้อย่อยอ่ะ แต่รวมลงแล้วก็คือยศศรีนั่นเองบางครั้งบางคนคิดว่าเอ๊ะปักแปดก็ดีนะสติปัญญาสี่ก็ดีอนาปนานสติก็ดีอะไรก็ดีหลายหมวดทำไมไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่สิ่งเหล่านั้นจะไม่สําคัญหรือคือสําคัญเหมือนกันถ้าบุคคลใดที่รู้แจ้งยศศ ร, รีอบรมรยศศ ร, รีให้แจ้งอ มักมีองแปดก็ถือว่าอบรมมาม า, มามามาหมดแล้วเมื่อมักมีองแปดที่อบรมมาดีแล้วเนี่ยสติปัฏฐานสี่ก็ถูกอบรมมาดีแล้วเมื่อสติปัฏฐานสี่อบรมมาดีแล้วเนี่ยสัมัปัฏฐานสี่อินทรีห้าพะละหา้าอิทธิบาทสี่อินทรีห้าพระละห้าโพชฌงเจ็ดก็ถูกอบรมมาดีแล้ว ที่นี้ว่าการที่เราทําจิตให้พ้นทุกข์ได้ก็คือเราจะต้องไปก็คือมัสมีองแปดฉังนั้นความเห็นบอกว่านี่ทุกข์นี่เหตุของทุกข์ในการดับทุกข์นี่ข้อปฏิบัติในการดับทุกข์นี้ความเห็นชิ้นนี้เป็นสัมมาทิฏฐิข้อแรกอของมัช ก, การที่เราจิตมาพิจารณาร่างกายนี้เป็นข้อสองของมัชของมัช ก็คือว่าการพิจารณาร่างกายนี้เป็นเนคขมมะวิตกอภยาบาศวิตกก็คือการไม่เบียดเบียนการไม่ปองร้ายอาวิหิงสาวิตกก็คือการไม่เบียดเบียนอะไรใครกลายเป็นว่าดําริชอบคือมัดข้อสองเมื่อจิตเราอยู่ในตัวเรามากเท่าใดร่ทำสองอย่างก็คือหิริโอตปะก็จะเกิดเมื่อหิริโอตปะเกิด ความอ่อนโยนความที่จิตควรแก่การงานก็เกิดมีความละอายต่อความชั่วเกรงกลัวต่อการทำบาปเมื่อเกิดขึ้นปุป๊บจิตใจของเราก็จะซักฟอกกายวาจาใจของเรานี่ให้สะอาดทำให้การงานชอบอาชีพชอบวาจาชอบเป็นตามนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องอัศจรรย์ว่า คือจิตเราเนี่ยนะถ้าเกิดว่าเราไม่เห็นตัวเองได้นะไม่เห็นตัวเองแจ้งนะนะเราจะให้จิตเราเนี่ยรับความดีไม่ได้เลยนะอาคุสลวิตกที่มีอยู่เนี่ยกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกเนี่ยจะไม่สามารถที่จะหายไปได้ ถ้าเกิดว่าจิตเราไม่ตั้งอยู่ในกายนี้เนี่ยจิตมันอ่อนไม่ได้เมื่ออ่อนไม่ได้ปุ๊บเนี่ยมันจะขายอากุศลไม่ได้เหมือนกับว่าเหล็กไม่ได้ไม่ได้ถูกความร้อน เล็ไม่ได้ถูกความร้อนของไฟเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะอ่อนตัวไม่เมื่อไม่สามารถที่จะอ่อนตัวได้เนี่ยการที่เราจะตีขึ้นรูปต่างๆก็เป็นไปได้ยากหรือเป็นไปไม่ได้เลยเพราะวันแข็งจิตเราเนี่ยถ้าเกิดว่าจะให้รับความดีเข้าไปเนี่ย ไม่สลดไม่สังเวชไม่อ่อนโยนมันรับไม่ได้นะมันจะต้องมีการอ่อนโยนเขาเรียกว่าต้องสังเวชก่อนเมื่อสังเวชเมื่อใดอ่อนโยนเมื่อใดการที่เราจะเข้าสู่การละการวางการละการวาง ที่จะไปสู่การซักฟอกกายวาจาใจของเราเนี่ยให้ดีเนี่ยซักฟอกไม่ได้เราจาเป็นจะต้องให้ใจของเราเนี่ยสลดสังเวชอันนี้เป็นสู่แต่ตัวนะว่าเราจะต้องสังเวชตัวเองโดยการเห็นแจ้งขึ้นมาถ้าเราไม่เห็นแจ้งได้อย่างนี้แล้วเนี่ย ยากนักที่จิตเราจะอ่อนโยนต่อการที่จะทำความดีขึ้นไปมันรับไม่ได้ รับไม่ได้เดี๋ที่บอกว่าสมาธิใดถ้าเกิดว่าเราไม่มีการอบรมร่างกายนี้เนี่ยให้เห็นร่างกายเนี่ยใจมันไม่ยอมแน่นอนมันแข็งมันแข็งมันก้าวแล้วมันดือ้อมันด่านจิตจะไม่อ่อนจิตไม่ควรรายการงานจิตมันจะแข็งดื้อรั้น เวลาเราทำกรรมาฐานเราจะสังเกตไ้ว่าถ้าเกิดว่าจิตของเราเนี่ยเขาเรียกว่าดุร้ายจิตของเรานี้ไม่อ่อนโยนมันจะดีไม่ได้เลยเราสังเกตไปความแข็งกระด้างของจิตเนี่ยมันกระด้างมันจะไม่ยอมการสอนของเราเลยเหมือนม้าพยศที่ไม่ไม่รับในการฝึกจะต้องเคียนต้องตีให้มันอ่อนก่อน ให้มันยอมก่อนมันถึงจะรับการการฝึกได้ <c oughs> ฉะนั้นจิตของคนเราเนี่ยที่ฝึกฝึกกันเนี่ยก็คือว่าถ้าเราไม่เห็นความตายในตัวเองเนี่ยมันรับไม่ได้จริงนะความตายของตัวเองเนเองที่เห็นขึ้นมาเนี่ยไม่ว่ากิเลสชนิดไหนมันยอมรับหมดเลยทำให้เราเห็นผลประโยชน์ว่าอ้อนึกถึงความตายในเองใจของเราเนี่อ่อนโยนหมดเลย ยอมคนน่ะยอมคนยอมที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองให้ไปทางที่ทางที่ดีเขาเรียกว่าการอ่อนอย่างนั้นเขาเรียกว่ า, าทําให้เกิดทำสองอย่างเขาเรียกว่าฮิริโอตปะความอ่อนตัวก็คือจิตนี้อ่อนอ่อนต่อต่อสิ่งที่จะรับเข้ามาใหม่ก็คือความดีเข้ามาเนี่ยก็ต้องมีความหนึ่งความมีละอายคือฮิริ ความล้ อ, อายต่อความชั่วสองความกลัวต่อสิ่งที่บาปก็คือโอตระปะฉะนั้นโอตระปะนี่เองความเกรงกลัวก็จะเกิดขึ้นอันนี้จะเป็นสูตรสําเร็จเลยวา่าคนเราทุกคนที่ฝึกไปทั้งหมดเนี่ยถ้าไม่มีการพิจารณาตัวเนี่ยจิตคนนั้นจะฝึกไปได้เลยเหมือนม้าพยศที่ไม่รับการฝึก จะเป็นการที่เราจะไปสู่การฝึกอย่างถูกต้องไม่ได้เราเรายากตรงที่ว่ากิตเราไม่ยอมแล้วเมื่อไม่ยอมปุ๊บมันมันมั น, ม, น, ม, นมันตั้งมั่นไม่ได้ตั้งมั่นได้แต่มันก็ยังแข็งก้าวอยู่เพราะอะไรเพราะไม่เห็นการสลดสังเวชของตัวเองร่างกายตัวเองไม่เห็น การไม่เห็นนั่นเองเป็นที่มาของความแข็งกระด้างความแข็งกระด้าง น, นั้นเองเป็นที่มาของความดื้อรั้นเหมือนม้าที่ไม่อยากจะรับการฝึก อ, อาจิตดังนั้นจะดีไม่ได้นะเราจะเห็นว่าการจะดีของจิตต้องมีองค์ประกอบอที่ถูกต้องแล้วก็เป็นระบบเดียวสูตรเดียวก็คือเราจะต้องหันมาพิจารณาร่างกายนี้ต้องร่างกายแท้ๆของเรานี่นะ เพราะว่าถ้าร่างกายอื่นเนี่ยเป็นนิมิตไปเนี่ยมันหายเมื่อหายจิตเราแข็งกระด้างอย่างเดิมนี่แหละแต่ถ้าเกิดว่าเป็นร่างกายเราแท้แทมันหายไม่ได้นี่ร่างกายมันจะหายได้ก็คือตายเท่นั้นเองตายแล้วมันถึงจะหายกันแต่ว่าไม่ตายเด่นมันก็จะมีอยู่เท่านั้นเองเราต้องเห็นร่างกายที่มีอยู่เพื่อจิตของเราจะไม่แปรเปลี่ยนและความเห็นตัวเองเนี่ยตั้งไว้เสมอเป็นคำเห็นเดี่ยว เป็นภาพเดียวอารมณ์เราก็เลยเป็นมาตรฐานเดียวเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นมาตรฐานเดียวก็คื อ, อทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเนี่ยจะเป็นแต่ว่าเราเห็นร่างเราคนเดียวเท่านั้นไม่เห็นไม่เห็นร่างกายคนอื่นถึงแม้ว่าเราจะมีตาหูที่ทํางานอยู่ก็ตาหูก็เห็นไปรู้ไปแต่ใจหาได้ไปไม่ก็ถือว่าใจไม่ไปก็ สำเร็จประโยชน์ตรงนั้นเลยตาหูก็ไม่มีความหมายนั้นตาหูจะทํางานไปอย่างไรแต่เมื่อใจไม่ไปแล้วไม่มีพิษสงอะไรเลยเพราะว่าฉันทราคะในหูตานั้นก็ไม่มีการดับห่วงหูตานั้นก็ก็ดับแล้วเขาเรียกว่าทุกอย่างแก้ปัญหาแล้วว่าตาหูไม่มีอะไรอันนี้แหละเขาเรียกว่ารู้แจ้งในศาสนานี้ก็คือคําสอนพระเจ้าก็คือรู้แจ้งตรงนี้เมื่อเป็นดังนั้นแล้วเนี่ย เราก็พ้นทุก์ได้ไหนที่สุดพ้นทุก์ได้ไหนที่สุดการพ้นอย่างนี้แล้วเนี่ยการการพ้นแล้วเนี่ยแต่เรารักษาภาพมันไวเท่ากับว่าไม่พ้นบีบให้พ้นถ้าพ้นแล้วเนี่ยล็อกไว้ไม่ให้คืนฟื้นชื่นชีพฟื้นคืนไปสู่ภาวะเดิม ก็กลายเป็นว่าคนที่พ้นแล้วจะไม่หวนกลับมาสู่ภาวะเดิมหรือคนที่เขาเรียกว่าหมดความเป็นหญิงเป็นชายได้เนี่ยจะไม่หวนฟื้นมาสู่ภาวะเดิมอีกเลยก็น่าอัศจรรย์ว่าการเห็นตัวอิวังนั้นแหละกลายเป็นว่าบีบให้หมดด้วยแต่เมื่อหมดแล้วล็อกไว้ให้อย่าให้กลับมามันเป็นมาตรฐานเดียวเท่านั้นที่ทาได้อย่างนี้ถ้าเกิดว่า <c oughs> ถ้าเกิดว่าการเห็นตัวเราเนี่ยเห็นแล้วเวลาเวลาเวลาเวลาจบแล้วก็เลิกเห็นไปเลยไม่ต้องเห็นเหลือแต่ความว่างอันนั้นเสื่อมได้นะความว่างนั้นน่จะกลับมามีอีกว่างไม่ได้เราจะต้องเห็นตัวเองอยู่เสมอว่างในสิ่งที่เห็นอยู่นั่นแหละเอาความว่างซ่อนอยู่ในความเห็นอันนั้นว่างอย่างนั้นนะว่างว่างแท้ว่างในสิ่งที่มีอยู่ ว่างในสิ่งที่มีอยู่ก็คือเห็นตัวเองอยู่แต Instead, <fun ut> ่นั่นแหละคือความว่างแต่ถ้าว่างในสิ่งที่ว่างนั้นมันจะไม่ว่างแต่ว่างในสิ่งที่ไม่ว่างนั้นแหละมันจะว่างหมายถึงว่าถ้าเราเห็นตัวเองอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เห็นความว่างว่าเรานี่ไม่มีอะไรแต่ว่างอย่างนี้เขาเรียกว่างในสิ่งที่มีอยู่มีอยู่ได้ยังไงมีอยู่ร่างกายเรามีอยู่นี่เราเห็นร่างกายมีอยู่แต่มีอยู่นั่นคือความว่าง ว่างอย่างนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าว่างแท้แต่ถ้าเกิดว่างเหมือนเราว่างอยู่ในอากาศเนี่ยว่างอย่างนั้นเขาเรียกว่า ง, าางหล อ, ว อ, อากาว่างอย่างนั้น เ, เนี่ยมันจะไม่ดีมันจะกลับมาวุ่นได้อันนี้ก็คือว่าหนทางที่จะนําไปสู่การดับทุกข์ได้ก็คือเราจะต้องรู้แจ้งในคําสอนพระเจ้าว่าตัวเราทั้งหมดที่เราเกิดมาเนี่ยมีอะไรแล้วเราจะต้องเบื่อหน่ายตัวเอง การเบื่อหน่ายตัวเองนี่เองจึงเป็นข้อที่ทุกคนจะพลาดไม่ได้ก็คือเอาสติดำพิจารณาร่างกายให้แจง้งหรือเรียกในยะหนึ่งเขาเรียกว่ากายคตาสติเขาเรียกเอาจิตสติท่องเที่ยวในตัวเราเนี่ยบุคคลใดพลาดแล้วซึ่งกายคตาสติบุคคลนั้นชื่อว่าพลาดแล้วซึ่งอมาตะ บุคคลใดพลาดกายคตาสติบุคคลนั้นชื่อว่าพาด น, นิพานพาดทุกอย่างพลาดไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นของที่เราจะต้องทำให้เกิดให้มีเพราะว่าวิธีอื่นมันจะไม่มาตรฐานจิตกลับไปกับว่าวิธีนี้ก็คือเราเห็นตัวเองได้เนี่ยเรารักษาความเห็นตัวเองไว้อยู่เสมออย่าให้หายแล้วมันจะไม่หายนะ ตลอดถึงชีวิตแล้วก็ดูความตายเราไปถ้าตายก็ตายดูความตายไปเลยเวลาเป็นอยู่ยังไม่ตายก็ดูความเป็นไปก่อนแต่ทั้งหมดเนี่ยฉันทราคะไม่มีไม่มีการไม่มีฉันทราคานั้นเท่ากับว่าจบทุกอย่างแล้วจิตเราจะเป็นจิตที่มั่นคงมากจิตของเราจะไม่หวั่นไหวแล้วก็จิตของเราจะดับเย็นอันนี้แหละเขาเรียกว่าเป็นจิตที่เราสามารถที่จะฝึกได้เห็นได้ บางคนบอกว่าพิจารณากายเนี่ยไม่ได้มีฌานอะไรมีเขามีทีหลังเขาทําทีหลังเพราะฌานนี่ไม่ได้ทํามาพิจารณาร่างกายทํามาเพื่อพิจารณาสามอย่างเดียวอพิจาราสามไม่ได้ทํามาพิจารณาร่างกายเนี่ยอะไรเลยถ้าเราพิจารณาร่างกายพิจารณาไม่ได้หรอกพิจารณาไม่เห็นลองดูที่ว่าลองทํำดูมองไม่เห็นหรอกเพราะว่า สมาธิเนี่ยมันเลยแล้วเลยไปแล้วพอพิจารณากายเนี่ยมันมองไม่เห็นให้มองไม่ได้อมองไม่ได้การพิจารณาร่างกายเนี่ยจึงเป็นของที่ว่าทุกคนจะต้องเขาเรียกว่าพลาดไม่ได้ต้องมาเห็นมารู้มาเห็นให้ได้เมื่อเป็นอนั้นแล้วเนี่ยการปฏิบัติเราถือว่าถูกต้อง แล้วเราจะดูความถูกต้องทั้งหมดเนี่ยได้ก็คือว่าเราจะต้องมีความปรุงแต่งเบื่อเบื่อความปรุงแต่งเบื่อโลกเบื่อความคิดไม่อยากคิดอะไรเลยเบื่อและความคิดก็ไม่ถูกไม่ใช่ของถูกต้องเบื่อหน่ายตัวเบื่อหน่ายตัวเบื่อหน่ายอารมณ์เบื่อโลกเบื่อโลกเบื่อทุกอย่างเบื่อในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าเบื่อแล้วเราไม่อยากไปคบค้าสมาคมกับใครก็ไม่ใช่ เบื่อแล้วเนี่ยอยู่กันได้แต่เบื่อความไร้สาระของชีวิตว่าไม่มีอะไรยอมยอมที่ทุกคนว่ายอมยอมยอมเสียสละว่าร่างกายนี้เป็นของที่ไม่น่ายินดีอะไรเป็นของเน่าเปื่อยเป็นของปฏิกมู่อก่อนมองไม่เห็นไงถ้าได้เห็นแล้วก็ทำให้เราเนี่ยละได้วางได้ คนนั้นก็กลายเป็นว่าดับเย็นกลายเป็นว่าดับเย็นทำให้คนนั้นเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงทางถูกต้องปรากฏว่าเมื่อทำไปแล้วปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดมีการบรรลุธรรมขึ้นมาเนี่ยจิตเราจะไม่มีอยู่ในโลกนี้เลยจิตเราของเราจะดับสนิทจิตของเราจะดับเย็นทุกอย่าง ไม่มีไม่มีข้อแม้อะไรไม่มีการไปไม่มีการมาไม่มีการปรุงแต่งอะไรทั้งสิ้นแต่จิตนั้นก็มีอยู่ด้านเองไม่ใช่ว่าไม่ปรุงแต่งอะไรจิตหายไปเลยก็ไม่ใช่จิตมีแต่จิตเลิกกับผูกเลิกความผูกพันกับอารมณ์แล้วเท่ากับว่าจิตเราก็อารมณ์แยกทางกันแล้วความจริงแล้วเนี่ย จิตเราไปหาเขาเองี่อารมณ์มันมีอยู่อย่างนั้นแหละแต่ว่าจิตเราไปหาเอาถ้าจิตเราไม่ไปหาเบื่อหน่ายเสร็จแล้วอารมณ์ก็เป็นแค่อารมณ์เป็นแค่อารมณ์ไม่มีอะไรอันนี้ก็คือว่าคนนั้นก็กลายเป็นว่าเป็นผู้พ้นพ้นโลกพ้นทุกข์ถ้าไม่งั้นแล้วเนี่ย การปฏิบัติของเราก็จะมัวแต่ทำสมาธิด้านเดียวเนี่ยจะไม่ได้สมาธิของเราเนี่ยอย่าคิดว่านิ่งแล้วนิ่งไปนั้นบ่อยๆนิ่งบ่อยบ่นิ่งบ่อยๆแล้วความคิดจะหมดเองไม่มีทางหมดนะเพราะอะไรมันไม่เบื่อหน่ายตัวเองการไม่เบื่อหน่ายนั่นเองทำให้เราเนี่ยมีปัญหาที่สุดเขาเรียกว่าไม่สามารถที่จะเข้าถึง ความถูกต้องอเพราะเพราะสมาธินี่ไม่ได้เห็นตัวนี่เมื่อไม่เห็นตัวมันก็ไม่เบื่อหน่ายเมื่อไม่เบื่อหน่ายก็การที่จะเบื่อโลกก็ไม่มีเมื่อไม่เบื่อโลกไม่มีเนี่ยจิตมันจะขายโลกได้อย่างไรที่บอกว่าเป็นไปได้ว่าแล้วถ้าเราเบื่อตัวเนี่ยเราก็จะเบื่อตา เบื่อตัวแล้วก็จะเบื่อหูเบื่อจมูกเลื่องายใจเบื่อตาเบื่อหูเบื่อโลกเบื่อแล้วเราจะคลายจากหูจากตาเบื่อจากโลกคลายไปคลายไปในที่สุดเนี่ยเราคลายอ่าในที่สุดเบื่อตัวเองได้ถึงที่สุดจิตเราก็หลุดพ้นได้ก็เป็นอันว่าการหลุดพ้นของเราเนี่ยได้โดยวิธีนี้คือการกระทําเช่นนี้และการกระทําเช่นนี้เองทําให้เรา เข้าถึงการพ้นทุกได้จริงอันนี้ก็สามารถที่จะเข้าถึงการปฏิบัติอย่างถูกต้องแล้วก็การปฏิบัติของเราก็สามารถที่จะสำฤทธิ์ผลตามนั้นเข้าใจเนาะใครมีอะไรสงสัยมาถามจะหมดเวลาแล้ว ควาจริงจบนานแล้วแหละมีอะไรไหมเปลี่ยนบรรยากาศคมจริงก็ไม่มีอะไรเรื่องเดิมๆนะก็วนกันไปวนกันมาก็คือเรื่องของการที่รู้แจ้งนี่แหละรู้แจ้งในตัวเรานี่แหละแล้วให้เบื่อหน่ายรู้แจ้งเพื่อเบื่อหน่ายอย่างเดียวอเมื่อเบื่อหน่ายแล้วเร า, เร า, เ, ราเราถึงจะได้ขายจากโลก ใครมีอะไรถามนะาถามได้เปิดโอกาสให้ท้ายรายการเหลือประมาณไม่ถึงยี่สิบนาที <c oughs> ทอะไรไมอ่าเข้าใจแล้วก็ต้องการให้เบื่อหน่ายตัวเองคือคือเราเกิดมานี้เรามาเด็ดจิตนะตัวเราเราเนี่ยเราได้มาจากโลกนี้ตัวเราเนี่ยได้มาจากโลกนี้แต่เรามาละยินดีในตัวเรา ซึ่งตัวเราเนี่ยไม่ได้มาจากโลกอื่นเลยก็ได้จากพ่อแม่ที่ที่บอกว่าวันเดือนปีท่านบอกให้เสร็จเลยบุตรนายนี้นางนี้บอกหมดเลยแน่นอนอยู่แล้วว่าหลักฐานเหล่านั้นก็คือมันมาจากโลกนี้จริงๆแต่จิตเราเนี่ยมาจับจองเอาแล้วก็มายึดร่างนี้ยึดเหล่ายินดีเราก็เลยยินดีหญิงและชายตามมาเมื่อเราเล่นร่างนี้เป็นหญิงเป็นชายความรู้สึกก็เป็นหญิงเป็นชายขึ้นมาก็ไปหาเพศตรงข้าม ก็เลยเป็นราคะโทสะโมหะเป็นหมดไปหมดเลยทีนี้เรามาแก้ตรงที่ว่าสิ่งที่ได้มาเนี่ยให้เบื่อซะอย่าอย่ายินดีเขาเพราะต้องทิ้งมีตัวให้เบื่อมีตาอย่าให้ใช้มีจิตที่ไปอย่าไปตามให้สวนหมดเลยมีอะไรให้เลิกซะให้เข้อสอนไปอยู่นั้นให้มาอย่างนี้ เขาให้ให้ไปข้างหน้าเรามาข้างหลังและทุกอย่างมันจะแก้กันหมดเลยมีตัวให้เบื่อมีตาให้เลิกใช้หูตาให้เลิกให้หมดให้เขาโลกโลกของเขาเนี่ยเขาเขามีตัวปุ๊บเขามีตาหูให้เลยให้ใช้เลยเองต้องใช้น่มีตัวแล้วอ่าข้ามีตาให้นะหูจมูกและเองก็ใช้แบบนี้เราก็เลยใช้มาตลอดหลายชาติก็กลายเป็นที่มาของปัญหาทั้งหมดอันนี้เรามาแก้กันว่า มีตัวให้เบื่อซะมีหญิงมีชายมาให้ออออกซะไม่ตามเขาเลยสักอย่างเลยเขาให้จิตเราเนี่ยใช้หูใช้ตาที่เขาสร้างมาเลิกใช้ซะแล้วเราจะไม่ตามทางเขาเลยมันจะย้อนกระแสะหมดเลยทําให้จิตของเราไม่ตามคลองเก่าครองเส้นเก่าที่เส้นทางเส้นเก่านั้น เพราะเส้นทางนั้นเขาวางหมากให้เราเดินเราเดินไปทำไมเราเดินมาหลายชาติแล้วนะมันเป็นเหตุผลที่เพียงพอแล้วสำหรับว่าพอกันทีถ้ามันดีกว่านี้รอให้บอกว่าเออเดินไปก่อนเดี๋ยวมันอาจจะดีกว่านี้ไม่ต้องอาจจะหรอกมันเดินมานานแล้วพอที่สรุปลงแล้วมันมีเท่านั้นแหละทีนี้เมื่อเราออกได้จริงๆได้ก็คือสวนกระแสเขามีตัวให้เบือ่อมีตาให้เลิก เขาให้จิตเราออกไปคิดถึงคนอื่นเราคิดถึงตัวเองสุดท้ายระบบนี้พังหมดเลยระบบเก่าที่เขามีพังพินาศเท่ากับเราหรือโครงสร้างทิ้งไม่เอาแล้วท่านเปรียบเหมือนว่าเด็กๆยังเด็กๆอยู่เนี่ยชอบเล่นเรือนฝุน่นเรือนฝุน่นรู้จักไหมเรือนฝุน่น เด็กๆเล่นฝุ่นน่ะมาทำเป็นบ้านเป็นเรือนเป็นอะไรเล่นๆในกองฝุ่นเด็กป้านอกนะยามใดเด็กนั้นมีความอยากอยู่มีความสนุกสนานอยู่ก็ย่อมทะนุถนอมในเรือนฝุ่นเหล่านั้นประคบประงมในการตกแต่งเรือนฝุ่นนั้นอยู่ยามกำนัดยินดีเขาก็ยังมีความอะไรความรักในการเล่นนั้นอยู่แต่ยามใดจิตนั้นเด็กนั้นเบื่อหน่ายในเรือนฝุ่นนั้นเขาย่อมขยี้ เขาย่อมกระทืบเขาย่อมคิดทําทให้กระจัดกระจายในเรือนฝุ่นนั้นไปเพราะความนั้นไม่ยินดีนั้นเป็นเหตุเมื่อเบื่อหน่ายเด็กเหล่านั้นย่อมทําลายเรือนฝุ่นนั้นให้พินาศไปชั้นใดก็เหมือนกันยามกําหนัดยินดีในร่างกายของตนอยู่คนนั้นก็ติดหลงอยู่ในร่างกายนั้นเมื่อเราเห็นว่าการหลงนั้นเป็นเหตุทําให้เราหลงอยู่ในโลก ก็ทำลายซะเหมือนเราทำลายเรือนฝุ่นเหมือนเด็กทำลายเรือนฝุ่นก็คือทำลายตัวเองท่นี้ตัวเองทำลายตัวเองน่ะเป็นได้ยังไงอ่ะจําเป็นต้องทําเพราะในไหนก็ต้องทิ้งอยู่แล้วตัวเองก็เป็นของทิ้งอยู่แล้วจําเป็นจะต้องทําลายเสียก่อนทิ้งคนที่ทําลายทิ้งไปก่อนจะทิ้งทําลายไปชื่อว่าได้สาระในสิ่งที่ไม่มีสาระ แต่เมื่อเราไม่ทําลายความยดีในตนกลายเป็นกิเลสมหาศาลจะกลายเป็นภพชาติที่ไม่รู้จบจบสิ้นร่างกายอันนี้เนี่ยก็กลายเป็นว่าจะต้องรังได้ร่างกายอันใหม่ขึ้นมาอีกเราท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัตรนี้เนี่ยเขาเรียกว่ากระดูกของเราเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่ผุนะเขาบอกว่าภูเขาหิมาลัยนั่นเนี่ น้ำตาที่เราร้องไห้บ้างหัวเราะบ้างเนี่ยเขาเรียกว่าพอๆกับมหาสมุทรแสดงว่าต่อคนหนึ่งนะมากขนาดนั้นแสดงว่าเราไม่รู้จากเราจะมารู้จากตอนที่รลึกชาติได้โอ้โหมันสังเวชตัวเองนั่นะว่าโง่เหลือเกินน่ะตามตามมากเขาที่เขาวางไว้โง่งมงายหลงไหล ความจริงแล้วเนี่ยความเป็นหญิงเป็นชายถ้าเรากาจัดออกไปแล้วเป็นอะไรก็ไม่เป็นอะไรเป็นความว่างๆนง่เองไม่มีอะไรอยู่เบื้องหลังมีแต่ความที่เราหลงเข้าไปในเกมเท่านั้นเองออกมาแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรเป็นอะไรไม่มีความรู้สึกว่าเป็นอะไรก็น่าอาัศจรรย์นะว่าเออสิ่งเหล่านี้เนี่ย เป็นของที่ผู้เจ้าสอนแล้วทำได้จริงๆก็คือปฏิบัติแล้วมีผลได้จริงๆก็เป็นเรื่องอัศจรรย์ว่ า, าทำแล้วมีผลเพราะความมีความเป็นนี่เองทำให้เราเป็นเรา เราคนนึกเรานึกดูที่ว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดว่าคนนั้นลึกชาติได้นะเกิดเป็นชายก็มีเกิดเป็นหญิงก็มีเวลาเกิดเป็นผู้หญิงก็มีความรู้สึกเป็นผู้หญิงแต่ถ้าเกิดว่าเกิดมาเป็นผู้ชายความรู้สึกนั้นก็จะเป็นผู้ชายหญิงบ้างชายบ้างในร่างคนเดียวกันจิตดวงเดียวกันนั้นเป็นได้เป็นไปเป็นมาถามว่าหญิงชายแท้จริงอยู่ที่ไหน ตัวเองก็หลงตัวเองนั่นเองบาเพราะบางครั้งก็เป็นผู้หญิงบางครั้งก็เป็นผู้ชายถ้าใครหลงใครเนี่ยใครคือผู้หญิงใครคือผู้ชายแท้จริงไม่มีเลยไม่ใช่ว่าผู้หญิงนี่จะเป็นผู้หญิงตลอดผู้ชายจะเป็นผู้ชายตลอดไม่ใช่นะเป็นได้หมดเหมือนกันหมดเลยทีนี้ว่าสรุปแล้วใครเป็นของใครกันแน่ก็ไม่มีอะไรกิดเป็นแต่ว่ากรรมจาแนก แังนั้นความรู้สึกเหล่านี้เนี่ยแท้จริงนี้ไม่มีอะไรอยู่เบื้องหลังเลยมีแต่ความเป็นอวิชชาความไม่รู้ความไม่เข้าใจการที่ไม่รู้แจ้งแท้จริงไม่มีอะไรเป็นของอะไรก็น่าคิดว่าเออเราหลงใครกันแน่เนี่ยอย่างเช่นว่าผู้ชายไปหลงผู้หญิงเนี่ยแต่ไม่มีชาติใดาชาติหนึ่งตัวเองเป็นผู้หญิงบ้างและจะไปหลงใครก็หลงผู้ชายอา้าวทั้นสรุปแล้วหลงใครกันแน่เนี่ยมันไม่มีใครจะหลงใครเลยนะ มันเป็นเกมเท่านั้นเองเราก็เลยว่าโอ้โหจะคิดไปเป็นจริงเป็นจังว่าเราเป็นผู้ชายก็จะเป็นผู้ชายเราเป็นผู้หญิงก็จะเป็นผู้มันไม่แน่หรอกแล้วแต่กรรมจําแนกนะกรรมจําแนก ท, ท้ายไม่มีเลยเราก็ต้องให้กลับว่าไม่มีอย่างไรให้ไม่มีอย่างนั้นเนี่ยแล้วก็ไม่มีแล้วจะไม่หวนกลับนะมันหวนไม่ได้นะหวนไม่ได้เลยเพราะว่าสัขีพยานมัน ญาณทัศนะมันเห็นหมดเลมันกลับไม่ได้หรอกกลับยังไงก็ไม่ได้แล้วไม่หวนกลับเลยตาลืมลืมตาลืมลืมเนี่ยไม่ได้เข้าสมาธิอะไรก็ปกติทั้งวันทั้งคืนก็ก็จะเป็นอันเดียวกันหมดจะไม่มีเรื่องพวกนี้ก็น่าอัศาจรรย์ว่าเออแต่ว่าร่างนั้นก็ร่างเป็นหญิงเป็นชายอยู่นะเป็นแค่ร่างแต่ใจก็จะหมดความเป็นหญิงเป็นชายในชุด เป็นทุกคนหมดทุกคนได้ทุกคนเลยแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่ามันเป็นได้นะเราทึ่งว่าเออแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วหมดความเป็นหญิงเป็นชายมันจะถูกมันจะผิดไหมเนี่ยมันจะผิดไหมว่าหมายถึงว่าปฏิบัติผิดไหมล่ะในเมื่อการปฏิบัติก็บอกว่าละหละักะละโทสะละโมหะถ้าละความเป็นหญิงเป็นชายก็คือละหลักะได้การมหมลักะหมดใครบอกว่าการทําอย่างนี้การสอนอย่างนี้ว่าเนี่ยผิดนะ ผิดยังไงอะ่ะผิดแล้วทําไมละได้ละ่ะถ้าผิดแสดงว่าละไม่ได้สิถูกเท่านั้นละได้อะ่ะแต่นี้ละได้ก็แสดงว่าจะผิดได้อย่างไรผิดถูกนี่ไม่มีใครว่าหรอกเจะว่าก็ว่าไปนะแต่ว่าเราพอใจในผลเราเคยเป็นหญิงเป็นแล้วเราเคยเป็นชายเป็นแล้วแต่ไม่เป็นอะไรนะอยากจะเป็นดูมันเป็นแล้วจะเป็นอะไร เป็นของว่างเปล่าๆนั่นแหละมันไม่ใช่มีไม่ไม่เป็นเปล่าๆคือไม่มีหญิงไม่มีชายไม่ใช่หมดความเป็นชายแล้วจะเป็นมีความผู้หญิงเข้ามาแทนไม่ใช่อย่างนั้นนะหมดความเป็นผู้หญิงแทนหมดไปแล้วความเป็นผู้ชายเข้าไปแทนไม่ใช่คือหมดแล้วก็คือไปเลยก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องอัศจรรย์ว่าในชีวิตเดียวกันเนี่ยเมื่อก่อนเรามีแต่ว่า ตอนหลังแล้ว ถ, ถ้าเราปฏิบัติไปมันจะไม่มีเนี่ยมันเหมือนกับว่าสะใจนะสะใจเออมีก็ตอนมีก็รู้ได้ว่า ม, มีตอนไม่มีก็รู้สึกว่าไม่มีมันแต่ชีวิตเดียวกันเนี่มันเหมือนกับว่าบ่งบอกถึงความสามารถทําได้บ่งบอกถึงกําลังของคนนั้นว่ามีกําลังมากสามารถจะฆ่าสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ให้หายได้ อาซาจาัแล้วก็จะไม่หวนกลับคือคือคือกลับไม่ได้เพราะว่ามันเป็นระบบที่ไม่กลับเลยอะกลับไม่ได้ด้วยคือไม่อยากกลับเลยไม่อยากกลับเลยเหมือนบุคคลที่เขาเรียกว่าอาจเจียนออกไปแล้วแล้วก็จะมาบริโภคอาจเจียนของตัวเองอีกเนี่ยไม่ใช่ฐานะที่จะทาได้มันรังเกียจอะ รังเกียจมากมันไม่มีอะไรดีก็ไม่จะไม่รังเกียจยังไงเห็นตัวเองเป็นซากผีดิบอยู่ตลอดเห็นเล่าเห็นเป่วยตลอดเห็นเห็นเห็นปฏิกูลเห็นอุจจาะปัสสาวะตัวเองอยู่ทั้งวัน่เพราะมันเห็นหมดอะตับไตเสืส่พุงมันเห็นอย่างนั้นแล้วมันจะเอาอะไรอ่ะจะเอาตับไตใครๆมาอีกละ่ะตับตัวตับไตตัวเองก็ห้อยพลุงพลังอยู่แล้วจะเอาของใครมาอีกมันมันรังเกียจ รังเกียจอะไรรังเกียจตัวเองก็เลยพอลอยรังเกียจทุกคนไปด้วยรังเกียจนี้ไม่ได้ไ ม, ไม่ไม่เข้าใกล้เข้ากไม่ได้นั่งใกล้ไม่ใช่อย่างนั้นรังเกียจว่ามันไม่มีสาระเราก็เบื่อหน่ายตัวเราอยู่แล้วแล้วก็เลยผ่านเบื่อหน่ายทุกคนเห็นผู้อื่นสวยงามๆก็สวยงามอยู่งั้นแหละแต่ความยินดีไม่มีก็เห็นควา ม, มธรรมชาติว่าเออธรรมชาตินี่ก็วิจิตดีแต่แท้จริงก็ไม่มีอะไรเข้าใจในสิ่งนั้นเข้าใจดีสิ่งนั้น แต่สิ่งนั้นก็ตั้งอยู่อย่างนั้นเองว่กลายเป็นว่าเรื่องอัศจรรย์นะว่าเราทํากลับด้านหมดเลยเขามีตัวมาให้เบื่อซะมีตาให้เลิกใช้ไปยิงเป็นชายเอาออกซะทุกอย่างจิตนิ่งเลยนิ่งโดยทีย่ไม่ต้องทนะํ า, าทสมาธิเลยมันก็นิ่งไม่ต้องทํานะถ้าทําสมาธิยิ่งนิ่งใหญ่เลยนิ่งกันใหญ่เลยขนาดไม่ทำยังนิ่งเลย ไม่ทำเลยและก็ไม่ไปไหนเลยคือคือจิตที่ไม่ไปเนี่ยไม่ใช่ว่าเข้าสมาธินะไม่ได้เข้าแต่ก็ไม่ได้ไปแต่ถ้าเข้าล่ะโอ้ยิ่งไม่ไปใหญ่เลยขนาดไม่เข้ายังไม่ไปแล้วนี่คือความอัจฉริยะนี่คือความที่ว่าเออเป็นไปได้ขนาดนั้นนั้นจิตที่เขาตั้งมั่นก็คือไม่ได้เข้าหลอกสมาธิเข้าก็ได้ไม่เข้าก็ได้แต่ความมั่นเนี่ยหนึ่งเดียว เข้าก็หนึ่งเดียวไม่เข้าก็หนึ่งเดียวแต่ละความหนึ่งเดียวเนี่ยมีตลอดการก็กลายเป็นว่าคนนั้นไม่กลับไปสู่ความมันเหมือนมันมไม่เหมือนสมาธิธรรมดาเนี่ยเวลาเข้าเนี่ยนิ่งแต่ออกมาไปละไปโน่นไปนี่มันนิ่งตอนเข้าแต่อันเนี้ยไม่เข้าก็มันก็ไม่ไปเข้าก็ไม่ไปคือไม่ไปตลอดถึงไม่เข้าสักร้อยปีก็ไม่ไป อย่างนี้มันถึงว่าไม่ไปเพราะความเบื่อน่ายแต่เมื่อก่อนทําสมาธิออกมาเขาวิ่งไปแล้วเพราะไม่เบื่อหน่ายทําไมไม่เบื่อน่ายเพราะไม่เห็นตัวทําไมเพราะไม่เห็นตัวเพราะไม่ได้อบรมทําไมเพราะว่าลมเพราะไม่รู้ไม่รู้เพราะอะไรเพราะไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้ฟังธรรมเพราะอะไรเพราะไม่นั่งใกล้บุคคลที่รู้ นึกกลายเป็นอย่างนั้นเลยสืบไปสืบไปมันก็ได้ความไปตามนั้นตามนั้นการที่นั่งใกล้เขาเรียกว่าสัพพุริสสังเสวะการคบค้าสมาคมกับสัตตบรุษอ่าสัทธรรมวัฒนะการฟังธรรมของท่านสัตตบรุษนั้นโยนิโสมนัสิการการใส่ใจในอุบายที่ท่านชีแชแนะช้แจงชี้แนะชี้แจงธรรมานุธรรมปฏิปติ การปฏิบัติที่ปฏิบัติตามที่ท่านได้แจ้งแล้วได้ผลออกมาตามลําดับเขาเรียกว่าธรรมานุธรรมก็เพราะตรงนี้เองถึงได้รู้ว่าอ๋อต้องทําอย่างนี้อันนี้แหละเขาเรียกว่าเหตุผลของการที่เราจะเข้าไปสู่การเข้าใจตรงนี้ก็คือที่มาก็ต้องฟังทำแล้วก็ทําตามนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่ฟังไม่ทํา เราก็ไม่รู้เพราะความรู้เหล่านี้ไม่ใช่ไม่ใช่ฐานะทั่วไปจะรู้ได้นะจะต้องมีคนรู้เท่านั้นเนี่ยอ่าเพราะว่าความรู้เหล่านี้เนี่ยต้องอาศัยบา ร, รมีอาศัยการค้นคว้าที่ถูกต้องและมากมายพอที่จะเข้าใจถึงจะมารู้สิ่งเหล่านี้ได้ <c oughs> หมดเวลาทุดิพอดีโยมระคังยังไม่ตีวันนี้ก็ไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรเนาะญาติสี่ฝั่งอินทรีห้าพระละห้าพุทธงเจ็ดอิทธิบาทสี่สมประทานส <c oughs> ี่คือคือปฏิบัติไปเนี่ย จะถูกหรือไม่เนี่ยดูที่ความเป็นหญิงเป็นชายนั่นแหละถ้าหมดแล้วกลับถ้าหมดแล้วไม่กลับมาถือว่าถูกแต่สมาธิเวลาทํามากๆมันก็กบอยู่นะมันกบอยู่นั่นแหละดูมือนหมดแต่ไม่หมดเดี๋ยวเธอสมาธิลดลงมาใดต่อโผแน่น้ําลดต่อก็ผุดน้ํามากต่อก็หลุดเราต้อ ง, ต, องต้องหายไปก่อนหมดไปก่อนน้ําโผล่น้ําลดต่อก็โผล่มา สมาธิลดมาใดโพทันทีแต่สิ่งเหล่านี้แต่สมาธิมากก็ยังกคมกบเลยแต่ถ้าเกิดว่าเห็นแจ้งไม่ ม, ไ ม, ม, มีไม่มีกบไม่มีกบเพราะว่าไม่ได้เข้าสมาธิอะไรอยู่ในภาวะธรรมดาเองการอยู่ในภาวะธรรมดานี้จะเป็นการเช็คตัวเองอยู่เสมอว่าเรามีหรือไม่ภาวะธรรมดานั้นจะบ่งบอกให้เรารู้ถ้าเราสมาธิมามากบ ม, มาเกอนมามาม า, มาควนเนี่ยมันจะกบเกอนเลามองไม่ออกเลย มันมองเห็นยากฉะนั้นการที่เราจะพ้นทุกข์ได้ก็คือการรู้แจ้ง รู้แจ้งในพระธรรมคมสอนพระเจ้าคือที่ท่านให้ให้กรรมฐานตั้งแต่พระบวช ม, มานะเกสารูมานขาทัานตาตะโจนั่นนี่ไม่ใช่อยู่ที่อื่นเลยเอานั่นแหละที่พูดนี่ก็คือตรงนั้นแหละไม่ได้เอากรรมฐานที่ไหนไม่ใช่ตรรม า, ากรรมฐานส่วนตัวเป็นกรรมฐานที่พระเจ้าให้มาตั้งแต่วันบวช เ, เป็นกรรมฐานที่ เขาเรียกว่าลากเง้าของกรรมฐานทั้งหมดก็คือตรงนี้คือกรรมฐานห้านี่เองอวันนี้ก็คงจะแสดงธรรมยุติเพียงเท่านี้เนาะขอทุกคนมีความสุขความจเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเถิด